อาจารย์ครับเก่าในมรดการครับผมอจาจรย์ครคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอรัพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นครั้งที่เจ็ดสิบหกแล้วครับพระอาจารย์ครับก็มีคนมารอตอนนี้เกือบห้าร้อยคนแล้วครับพระอาจารย์ครับ อ, อาจารย์ครับวันนี้อขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องเทวทูตสีครับ โดยโดยตัวผมเองก็เจอเทวทูตสี่เป็นประจำครับทั้งแก่เจ็บตายนักบวชผมเจอเจอพอสมควรใจก็รู้สึก อ, อินเป็นบางอินบ้างครับอาจารย์ก็ทำให้เราไม่ได้อยากอะไรมากจนเกินไปแต่แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับว่าตัดความอยากไปได้หมดครับอาจารย์ครับวันนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องเทวทูตสี่แล้วก็วิธีที่จะโน้มน้าวเรื่องเทวทูตสให้เข้ามาในใจเราครับ ให้เราได้รักความอยากได้มากขึ้นครับขอบคุณเมตตาครับก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดูบ่อยๆคิดบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆถ้าเราดูเพียงภาพเดียวมันก็อาจจะยังไม่เข้าลึกไปในความทรงจำของเราห็นได้อยากจะมันเข้าลึกลองไปอยู่ก่อนคนแก่หรือไปดูอยู่ใกล้คนเจ็บใกายใน่ป่วย คนคนที่อยู่ขั้นสุดท้ายคนป่วยขั้นสุดท้ายของชีวิตเมื่ อ, อวันก่อนเพีงเดาคุยได้คุยกับหมท่านหนึ่งทางตอนนี้หมอทําอะไรหมอบอกตอนนี้ท่านทำหน้าที่ดูแลคนป่วยขั้นสุดท้ายอย่างนั้นน่ยมันจะเห็นภาพของความเป็นจริงเขาไม่ ใช้็เอาแบบไห น, นจะเลือกตามแบบไห น, นะจะใช้วิธีบำบัดทางธรรมชาตินี่จะใช้อะไระก็ลองคุยแบบคร่าวๆเพียงใดเพ่จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้เราเริ่มกลายความรู้สึกมันสะเทือนใจเราเพราะนั <S <S 1> <S 1> ้นมันการที่จะทำให้เราจำมันได้ น, นีมันต้องเห็นเหตุการณ์ที่มัน ใกล้กตัวเราแต่เห็นแล้วมันจะทำให้เราเออคิดนะคิดหนะักอย่างข้างแรกนีน้เราก็เห็นคนตายซึ่งเราเป็นนักเรีนนยนโรงเรียนเดียวกันไปโจ์น้ำตายแล้วก็มาเขาเป็นคริสเขาก็มีงานศพแล้วก็มีการไปคารวาศกลงศพคนจะเปิด แล้วก็เห็นหน้าผู้ตายนอนอยู่ในโรงแต่เขาก็แต่งตัวแต่งอะไรดีแต่งหน้าแต่งหะไรดูเหมือนคนนอนหรอกนะแต่พอมันเห็นแล้วมันก็แล้วแต่แต่ละคนนะปฏทกิริยาของแต่ละคนนี้อาจจะไม่ไม่รู้เป็นยังไงาลอดเราเห็นแล้วเหมือนมันย้อนเข้ามาที่ตัวเรามันคิดว่าให้ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขา แล้วก็คิดไปอีกว่าต่อไปคนที่เรารู้จักคนที่เรารักเราเคารพพ่อแม่ปู่ยาตายายที่ยังไปชีวิตอยู่นี่ทั้งวันหนึ่งเาก็ต้องลงไปนอนในโรงแบบนี้เหมือนกันอันนี้มันก็แต่มันก็ไม่ถึงกับว่าทำให้เราหยุดดำเนินชีวิตตามปกติเพราะตอนนั้นมันก็ยังเป็นเด็กอยู่อายุแค่สิบสองสิบสามขวบมัยังต้องเรียนหนังสือทงอะไรมันก็ แต่อย่างน้อยมันก็มีภูมิมันได้ฉีดวัสิ่งเข้าไปเตือนใจสอนใจแล้วมันก็จะนึกอยู่เรื่อยเรื่ถึงความตายของคนนั้นของคนนี้ของคนที่เขามีอายุมากกว่าเราเนี่ยสักแต่เวลาเขาเป็นอะไรไปใจรู้สึกจะไม่ค่อยเตือนเต้นตกใจอะไรก็มีอาการสูญเสียแต่มันก็ยังไม่ได้มีการกระตุน้นนะเราจะต้องไปบวชไปอะไร พราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ทางไม่รู้เรื่องของ 8, มรรคแปดรู้เรื่องของริยสัจสี่ก็เป็นแต่ว่ามันเป็นของที่จะเตือนใจให้เรารู้ว่าชีวิตเราก็มันก็มีจุดจบแล้วก็จะทําให้เราไม่ค่อยหลงไปกับการอยากจะมีอะไรมากมายกายขอ้อมันก็ทําให้รู้สึกว่าอยู่แบบมากน้อยสั้นเดินนี่ก็ ก็อยู่ได้แล้วทําไมจะต้องมีอะไรวะเดี๋ยวตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ดังชีวิตเราก็ไม่ค่อยจะหลงกับของฟุ่มเฟือยกับของอะไรเท่าไหร่ก็ออยู่แบบรบน้อยสันโดษมาเรื่อยๆก็อะไรไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ได้คิดว่าอยากจะต้องรวยอยากจะต้องมีครอบครัวแล้วอยากจะมีอะไรไม่เคยคิดอยู่ในสมองเพราะมัน มีแล้วเด็ยก็ต้องมีการพัฒนาจากกนะันครับมันมามันมาได้ได้ข้อคิดตามที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังได้นั้สือธรรมะทงปฏิบัติก็เกี่ยวกับเรื่องตายหลับนี่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือก็ได้รู้จักว่าการที่เราที่จะ ไม่ต้องมาทุกขไม่ต้องมาเหลือร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายนี้เราต้องปฏิบัติมากแปะก็เลยหาหนังสือมาเกได้มาหาหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้หนังสือสติปทานสี่ม า, าก็เลยรู้ว่าเร า, เราจะต้องฝึกเจ็ดทำเจ็ดให้สมบุกวิธีแนวทางมองสติปทานสี่นี้จะทําให้เรานีน ดับความทุกข์ดับความกังวลดับความวิตกกดับความหลาดกลัวต่างๆได้ก็เลยทําให้เกิดความสนใจที่จะปฏิบัติมอปฏิบัติแล้วก็พอเริ่มปฏิบัติได้สักพักก็ได้สัมผัสกับความสงบบ้างเล็กน้อยก็รู้สึกมีความประทับใจกับความสงบก็เลยอยากจะ ทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติมากกว่าการทํามากินหาเงินหาทองหาความสุขด้วยเงินทองก็เลยลาออกจากงานแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้ให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิศึกษาธรรมะไม่ไปยุ่งกับกครไม่ไปคุกคียกับใครอยู่ตามลําบากเรา ศึกษาไปปฏิบัติไปกล่าวว่าใช้เวลาสักปีหนึ่งแล้วมาดูทบทวนเมื่อเวลาครบปีว่าผลเป็นยังไงสามารถก้าวต่อไปได้หรือไม่อย่างไงมันก็ได้ข้อสรุปว่าก้าวไปทํานี้มันดีกว่ากลับไปทางโลกกลับไปทํามหากินเข้าไปหากินอาจจะได้เงินแต่จะได้รับความเครียดความม่นวายใจต่างๆเยอะ เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่งแท้แน่นอนของของงานการของอะไรต่างๆมันมนุ่นวายและมาเปรียบเทียบกับการที่เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติจิตธรรมมีความสงบมีความสบายไม่ไม่จะมีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสที่มารุมเราเป็นพักๆว่าบางทีจิตเราสติแล้วก็เผลอปให้ไปคิดถึงความสุขทางโลกมันก็ มาสร้างความทุกให้พอสมควรพอร่ายสติกับพอรีบกลับมาภาวนาต่อมันก็ละงับไปได้เป็นพักๆจนคิดว่าน่าจะไปทางนี้ได้ก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปหาที่บวนชนะสําหรับแนวทางเดียวของเรามันเป็นอย่างนี้นะแต่มันก็ ม, มีมีส่วนจากการที่ได้เห็นเทวทูตคือเห็นคนตาย ตั้งแต่ตอนที่ยังยังเด็กอัอนี้สักสิบสองสิบสามขวบเท่าที่จําได้แ่ยังไม่ได้เห็นนําบวชยังเห็นพระตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าพระเป็นตระเขาทําอะไรกันเพราะยังไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสศึกษาเพราะที่บ้านก็ไม่ได้เป็นคนเช่าพ่อแม่ไม่ได้เข้าวัดพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นเป็นพูดเป็นไม่มีศาสนาไม่ยังไง มีแต่ทางคุณคุณคุณญาณ่าเนี้ก็ ย, ยังนับถือาศาสนาของจีนอยู่ไหว้ไว้เจ้าอยู่ก็เคยได้ไปสัมผัสกับการไหว้เจ้าไหว้ไหว้เจ้ากินเจดูมิ้ว <c oughs> อะไรต่างโ่าช่วงนี้ก็าไปกินเจเขาังจะมีนิ้วบางทีจะไปนอนที่ที่ที่ศาลเจ้าเลยไปนอนดูมิ้วเพราะมิ้วมันเลื่นถึงสว่างแลย้ยบางที ก็ได้สัมผัทสทางศาสนาเพียงเม็น้อยแล้วประกอบกับมาเรียนมา เ, มา เ, เรียนโรงเรียนคริสต์ด้วย่งี้ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ศาสนาอย่างจริงจังจนได้มาตอนที่จบเรียนจบมาอะไรแล้วทํางานแล้วที่ได้พบกับคนได้คุยกันสนทนาเรื่องปรัชญาของชีวิตเข้าอะไรบว่าน่าจะอ่านหนังสือธรรมะของพระเจ้านะที่จะ ตอบปัญหาเรื่องปัจจัยยาวชีวิตได้ดีที่สุดเขามีนหนังสืออยู่แย่มันเอนี้่ยงนี้ที่เกี่ยวกับอา น, นิจังไม่เที่ยมเอามาอ่านแล้วก็เอาประทับใจอะไรเขียนไปขอหนังสือก็มาเพิ่มมีหนังสือที่แจกฟรีและหนังสือที่ขายเด่นไหนเห็นน่าสนใจก็สั่งซื้อมาเสติปทานสีก็สั่งซื้อมา เป็นประสูตในการเขียนขยายข้อความในการเอาอัฐะค า, า, า, าถาต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆที่กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติสติปัฏฐานมาประกอบแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจวิธีการปฏิบัติก็เลยนอกปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่เลยอันี้อาศัยยึดสติปัฏฐานสี่นี้เป็นตัวพา แล้วก็มรรคแปดมรรคแปด ก, ก็รู้ว่าสติปัฏฐานสีนี่ก็อยู่ในกลุ่มของสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมปปโกศีนก็เป็นของที่เข้าใจง่ายสัมมากรรมโตสัมมาวาจาแล้วก็รักษาอยู่มาไปสัมมาชีโวเราก็ไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้ทํามากินะ ธรรมะวิญญามืองความเพียรก็เพียรเจริญสติ เ, เพียนเพียรศึกษาธรรมะก็คิดว่าเรากำลังเดินอยู่ในแนวของมรรคแปดอยู่ก็เลยไม่สงสัยทนนั้งที่ไม่มีกลูอาจารย์ศึกษาเองอย่างน้องสื อ, อแล้วพอใ้เวลาจะไปบวชนี่ไปกราบไปกราบสมเด็จอาจาย์าสั ง, งวรพูดถึงการปฏิบัติของเรานี่ท่านทึ่งเลยว่าว่า หาคนไทยที่จะศึกษาลึกซึ้งถึงที่เป็นกรารวาพูดถึงแนวปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่คือไม่ได้พบประท่านโดยตรงแต่ต้องไปพบกับพระชาวฝรั่งพระต่งะงางประเทศคนหนึ่ง <Okay. S 1> เขาไปสนทนากับทำเล่าให้ท่านฟังว่าเรากำลังปฏิบัติแนวสติปัฏฐานสี่แล้วมีความปรารถนาที่อยากจะบวชาไปภาวนาะ ให้ทราบบัณฑิตบอลนี่จะอนุญาตให้บวชได้แล้วก็จะอนุญาตให้ไปศึกษากับพระปฏิบัติสายนุ้งปู่มั่นที่ทางภาคอีสานเมื่อมาคุยกับท่านท่านก็เลยอาสาไปกราบเรียนให้กับสมเด็จพระสังฆราชตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านเเจ้าอาวาสวัดบอลท่านก็พอได้ยินท่านก็ว่าเลยกตัวมาดูหน่อยสิ อ่เลยไปไปกราบท่านท่านก็ไม่ตามนัดบันบบดให้ครับแล้วตอนพระอาจารย์บวชนี่คือบวชองค์เดียวเลยปะครับพระอาจารย์วันนี้ก็มีคนบวชอีกคนหนึ่งคนนี้ก็จบมาจากต่างประเทศไปจบปริญญาโทมาเป็นรูปของนายคนท่านก็เลยจัท่านเลยฝากเราบวชเปคู่กับทำหน้าคู่เขา้เนน า, นเขาไป เพราะเราเป็นแบบเราไปแบบอนาถาเราไม่มีฐานะการเงินการทําไม่มีใครวันละวนี่ธรรมดาไปบวชมันต้องเป็นคนที่มีฐานะนะเอาเป็นว่านหลวงแลก็คนที่บวชคู่เราลูกพ่อเขาเป็น น, นายพลเราก็จเวลาบวชนี่คนที่ไปงานบวชของลูกนายพล น, นี่เป็นร้อยแต่คนที่ไปงานบวชเรามีแค่สี่คน เราไม่ได้บอกใครเราไม่ได้ประกาศมีจัดงานอะไรบอกแค่พ่อแม่ที่รู้แล้วก็พี่น้องสองคนน้องคนน้องสาวคนน้องลูกพี่ลูกน้องคนที่เขารู้ประมาณหนึง่นงคนแต่คนไปร่วมงานเยอะขึนแต่ก็ <c oughs> บวชคนที่บวชที่มีคนมาร่วมงานเนี่ก็บวชแค่สองอาทิตย์นะอ๋อ <c oughs> แต่เราบวชเราไม่เสร็จ แ oh. <laughs> ต่เราบวชแบบไม่ได้บอกครับว่าเราจะเสร็จไม่เสร็จนะครับวัด oh. แล้วกว่าจะท่านจะรับบวชนี่ต้องสนทนากันนานไหมครับอาจารย์ไม่ได้สนทนาเลยพาสังเวียนที่ท่านไปเล่าให้ฟังตอนนี้ฟังยังเอยท่านเขเรียกว่าเยื่นพาตัวมาท่านกเพียงแตถามว่ารู้จักใครในวัด น, นี้หรือเปล่า ร, รู้จักผมไม่รู้จักใครเลยนะทุกมาทมาเข้าวัดวันนี้วันแรกแล้วพอดี ถามเขาว่าอยากจะคุยกับเพราะได้ยินว่ามีชาเพราติชาวต่างประเทศอย่แถนี้แล้วเราใส่เราก็ถนัดทางภาษาครับก็เลยคิดว่าไปคุยกับพระต่างประเทศดีกว่าท่านก็ท่าน ก, ก, ก็นับฟังพอฟังเสร็จท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปกลับสมเด็จให้ก็เลยก็เลย ทำเดก็เลยพอได้ยิ น, นก็เลยเรียกตัวไปสัมภาษณ์หน่อท่านก็ไม่ถามอะไรมากท่านก็เพีกถามว่ารู้จักไทยในวัด น, นี้บอกรู้จักไทยเลยเนี่ยรุง ม, มาพบพระเพราวันนี้แล้วก็ถ้าถามมีพ่อแม่ไหมบอกมีท่านก็ว่าเอามาม า, มาพบหน่อยก็เลยพาแม่มามากราบท่านแล้วท่านก็นัดบังหน่วชให้ พระอาจารย์กันขออนุญาตถามอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะไปบวชเนี่ยพระอาจารย์พบกับความสงบไปแล้วใช่ไหมครับครับใช่ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่ม เ, าเราเออกจากงานนี้เราพอเราเรานังสมาธิไปไม่กี่ครั้งพอเจอเวทนาเราก็ใช้คำวริรกรรมแล้วมันก็ผ่านแล้วมันก็สงบเย็นสบายขึย้นมาแล้วตอนนั้นความเจ็บ ตอนนั้นมันก็หายไปมันก็รู้สึกมาสจะใจอยู่ดีๆน้ำเจ็บทรมานแล้วเกิดพอเราใช้คําอะไรคำไปตอนนั้นเราใช้คําว่าอนิจจังอนิจจังเพอาะเรจัดกาอนิจจังเพราะเท้าไปเท่าไปทักเดียวไม่นานจิตมันก็สงบแล้วความเจ็บของร่างกายมันก็หายไปใครก็เลยบอกโอ้การปฏิบัติมันมันมีผลอย่างนี้เองันรู้สึกว่ามันเห็นความ ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราจากใจที่ร้อนที่ทุกข์มากลายเป็นใจที่สงบที่เย็นได้อย่างมาสจรย์ญญใจก็เลยคิด่าโอ้นี่แหละสิ่งคือสิ่งที่เราต้องการเคือความสงบความสุขใจครับก็เลยเริ่มนั่งสมาธิขึ้นมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนเริ่มเห็นว่า ก, การนั่งสมาธิกับการทํา ง, งานมันขัดกันเวลทาทํางานต้องใช้ความคิดแล้ว แลบาทีก็แก่ความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการนต่างต่างกับเวลามันนั่งสมาธิเราต้องหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้ใจเราก็เย็นสบายแต่บอกให้ hey, มันไปด้วยมันไปด้วยกันไม่ได้แร้วสองทาง น, นี้เอาเรื่องเราทําใดทางหนึ่งนะอเลยตัดสินใจว่าวอดีตรวจดูเงินสำรองที่เราไปอยู่ก็คิดว่าอยู่โดยที่ไม่ต้องทํางานได้ปีหนึ่งถ้าเราอยู่แบบประหยัด กินข้าวมื้อเดียวทมไยนั้นด้วยองละห้าบาทก็อยู่ได้ข้าวจานกว๋วยเตี๋ยวชามนี่ข้าวจานละสามบ า, กาทก๋วยเตี๋ยวสองบาทโครับ oh. แล้วขนมเสนออะไรของกินของเราเนี่ยเราไม่เราไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กินอยู่แล้วมันไม่ทราบเป็นที่สายเราไม่ค่อยไปอะไรอทไรก็เลยพี่ว่าขอให้ไมีข้าวกินแล้วมีน้ํำดื่มมีที่อยู่อาศัยบ้านก็มีอยู่ฟรี oh. น้ําไปล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ oh. ก็เลยข้าเจจ่าชาทิจะไม่ได้มีก็คิดว่าเงินที่เรามีอยู่เนี้ที่เก็บมาจากงานที่เราทํางานเนี้น่าจะอยู่ได้ปีหนึง่งเราก็เลยว่าเอาว่าลองดูสักปีหนึง่ลองลอยู่แบบพระอยู่แบบไม่ต้องทําอะไรไม่เที่ยวไม่คิดถือศี 8, 8. แลแปดไปโดยที่ไม่ได้ไปขอศีลจากใครแต่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรแล้วก็ถือไปแล้วก็รู้ว่าพระตุนงก็กินมื้อเดียวแล้วก็เอาเมื้อเดียว ก็ทําไปก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินสลับกับความฟุ้งซ่านบ้างเวลาที่เผลอสติแล้วเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็มีการออกไประบายบ้างบางครั้งก็ไปไปนู่นมาหนี้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปแบบไปเพื่อให้มันเปิดเปิดความบึดอัดถ้คนอยู่ในที่ข้างในอยู่ในบ้านตลอดเวลามันก็อึดอัดงที่ก็ออกไปบ้างบางทีก็มีคนมาชวนไปไ ป, ไปต่างจังหวัดเข้าไปกับเขาไป แ ต, แต่ก็ไม่บ่อยแล้วก็กลับมากลับมาปฏิบัติไปที่ไรก็กลับมาร่ว่ไปแล้วขาดทุนะแต่มันก็ยังมาแต่ก็ยังทนอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องสู้กาลังของกิเลสไม่ได้การมาฉันท่าบางทมันก็ยังผลักดันให้เราต้องออกไปแต่ก็แบกแล้วแบกสู้ไปครับ okay. จนรอถึงครบเวลาหนึ่งปีแล้วบรต้องตัดสินใจแล้วก็เงินหมดแล้วเงินสำนองไม่มีมีมีอยู่ไหนแต่ถ้าอยู่ต่อไปมันก็ต้องหมดก็ต้องตัดสินยอดใชกไปเพราะต้งแต่ที่เราจบมาจากมืนนอนอกนี่เราไม่เคยไปขอเงินทางบ้านเลยเราก็มีเงินที่เราสะสมเก็บจากการทํางานที่ที่เมนนืองนอกกลับมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็แล้วก็มาได้งานใหม่อีกส่วนหนึ่ง ก็ไม่เลยไม่ต้องอาศัยทางทารทำบ้านไม่ต้องไปขอมันจากพ่อให้มาใช้นะพอจบแล้วลราก็ดูแลตัวเองได้อก็ถ้าเราถ้าเราจะปฏิบัติต่อไปนี้มันก็เงินมันจะไม่พอแล้วก็ต้องไปทำงานถ้าไม่ทำงานก็ปฏิบัติก็จะน้อยลงเวลาทำงานวันมันกหมดไปสิบชั่วโมงบากเดินไปนเดินทางไปกลับอะไรเตรีมตัวเอง สิกว่าช่วโมงก็จะได้ปฏิบัติได้น้อยก็เลยบอกว่าคงจะต้องบวชแล้อเดิมทีก็ไม่อยากจะบวชเพราะยังกลัวยังไม่อยากจะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของกฎระเบียบของของการเป็นพระอยู่ต้องอยู่ในวัดไปไหนมาไหนไม่ได้นอกจากมีภารกิจอะไรจําเปนน็นถึงจะออกไปนอกวัดได้ มันยังไม่อยากจะสูญเสียอิสรภาพเป็นกัลาวาณ์ยังรู้สึกว่าถ้าอะไนเราเบื่อก็อาจจะเปลี่ยนออกไปเดินเที่ยวบ้างอะไรบ้างทําอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นพระแล้วมันจะทําไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะบวชแต่เหตุการณ์บังคับมันไม่บวชก็จะทำเลยลไม่มีเงินนะถ้าบวชแล้วปัญหาเรื่องเงินก็หมดปัญหาไปไม่ต้องใช้เงินนะเพราะมีค่าฟรีแล้วมีที่อยู่ฟรี รฟรีหมดแล้วก็มีเวลาให้ปฏิบัติอย่างเต็มที่อัสนาพุทนี่ถ้าคนคนที่ชอบปฏิบัตินี่ไม่มีอะไรดีเท่ากับการบวชนะเปิดทางให้เต็มที่เลยถ้าถ้าอยากถ้าเป็นนักปฏิบัติได้นี่น้อมมาบวชได้เนี่ยสบายทุกอย่างนะปัจจัยสีน่นี้มีการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยเมืองไทยเนีย่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่มีชาวพุทธที่ยินดีที่จะสนับสนุนพระสองฆ์เจ้า ก็เลยก็เลยตัดสินใจต้องบวชก็เลยไปหาวัดบวชนินสัยก็ได้ว่าได้ความรู้ว่าต้องไปที่วัดบางอ่อนเพอเขาจะบวชให้แล้วอนุญาตให้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ได้เพราะโดยปกติถ้าเป็นวัดอื่นๆนี่ถ้าอุปชาบวชแล้วจะไม่ให้จะต้องอยู่กับอุปชาอย่างน้อยห้าปีต้องถือนิสัยในเป้า อ, อุปชาผู้ที่บวชให้ ยงเว้นว่าท่านจะอนุญาตให้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่อื่นซึ่งส่วนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่อนุ ญ, ญาตให้ไปแต่สาเร็จญาณนี่ท่านเคยไปกราบครูบาอาจารย์สายปฏิบัติมาแล้วก็มีพอดมีมีชาวต่างชาติมาบวชกับท่านเยอะชงนั้นแล้วเขาบวชเสร็จเ้าก็ขอลาไปศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ท่านสายวัดปากกัน ก็เลยเราค้ดว่าอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถ้าอยากจะปฏิบุริย์ก็ปฏิบัติเพราเรากลัวนะบวชแล้วเลยต้องมาเรียนหนังสืออีกหรือว่าต้องมาทําพิธีกรรมอีกต้องมาสวดศกมาสวดอ่ะมนตจิตที่มนต์อะไรต่างๆนี่ซึ่งเราบอกมันไม่ใช่ทางสําหรับที่เราต้องการอันนี้ก็เลยศึกษาถามผู้รู้ท่านก็แนะนํำว่าให้ไปบวชที่วัดโบนเนี่ยนะพอบวชเสร็จก็ พออยู่อยู่หัดหัดหงจีฮอนหัดบินตบาบอะไรนะขอคล้องตัวแล้วก็อะไรก่อ น, นุญาท่านไปไปที่วัดตาบ้านตาบาท่านการอนุญางแต่ท่านบอกว่าก็แล้วแต่พระอาจารย์หลวงตาเนว่าท่านจะรับหรือไม่รับถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่จะมันก็ไปฝากได้ขึ้นอยู่กับหลวงตาเอง เราก็ไม่เป็นไรตอะนั้นเราก็ไม่ได้รู้จักหลวงตาล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมา่นจะต้องได้อยู่กับท่านขอให้เราได้อยู่กับวัดปา่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนะั้นไม่ใช่อาจารย์เราต้องการสถานที่ปฏิบัติที่สงบมิ่เมฆสัพยะแล้วตอนที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องวัดป่ากานต่างก็รู้สึกว่าไปว่าที่สัพยะมากเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะก็เลยมุ่งไปที่นั่นแต่ส่วนาอาจารย์จะเก่งไม่เก่งจะเป็นอะไรนี่เราไม่ได้สนใจทอนนั้น กเราถือว่าเรามีอาจารย์และเํามีพระพุทธเจ้าเราไปสติปัฏฐานสูตรอะไรนี้เป็นอาจารย์เอยู่แล้วก็ไม่ค่อยดักกัวงวลเดี่ยวเรื่องอาจารย์เะ่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่มากกลัวจะไปเจอวัดที่มีการกอ่อสร้างมีกิจกรรมอย่างนึงทำกลัวจะไปเจอวัดอย่างนั้นแต่พอดีไปที่มาตา่างวัดตาท่านก็ไม่ให้ทำอะไรเลยให้ภาวนาเ แต่ก็ก็คิดเผื่อในใจว่าถ้าท่านไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ไปหาว่าเองต่อเพราะเราเถือว่ายังอยู่ในช่วงที่เรากําลังศึกษาทดลองค้นคว้าหาที่ปฏิบัติอยู่ก็ไม่ได้ยึนมั่นอ่าจะแต่ก็ไม่รู้จักอิทติศักด์ของท่านเลยตอนะผู้ถามจริงไม่รู้เรื่องของวัด่าเลยสายหลวงปู่มั่นนี่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยจนที่รับจนถึงเวลาที่เราไปอยู่วัดประวั น, นนะถึงจะได้ยินถึงตอนที่เราจะ จะจะปจะบวชเนี่ยเราได้เคยกับพระรูปหนึ่งใกล้บ้านท่านั้แนะนําว่าถ้าอยากจะบวชปฏิบัติแค่ต้องไปบวชกับสมเด็จที่วัดพวงอ่แล้วก็ขออนุญาตท่านไปปฏิบัติศึกษากับภาพป่าซายนุย่มปุ่มบ้นเนี่ยเป็นครั้งหน้าที่เคยได้ยินว่ามีภาพป่าซายนุ่มปุ่มบ้านมีภาพปฏิบัติไม่รู้เลยว่ามีภาพปฏิบัติอยู่ในประเด็นฐางยอดจะเป็นภาพแบบวัดแบบแบบแบบมีดา บ้านตบทเนียมบ้าบุญบางสันสวดนตามนั้นอพอรู้ว่ามีวัดทายปฏิบัติอยู่ก็เลยโอเคก็ลองไปวัด น, นี้ก่อนเอันนี้ไม่ไม่ถูกเจริตกับเราเรื่องนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ก็จะไปวัดถึงต่อแต่ก็ย่อมมีได้วัดที่ถูกกับเจริแตแล้วท่านก็เมตตาไมา่ไม่ไมล่แต่ท่านก็ไม่รับ <c oughs> ตอนไปอยู่กับท่านท่านก็ บ, บอกไม่รับนะให้อยู่ได้ช่วงกลาวครับแต่พอช่วงจะเข้าใกล้เข้าพรรษาท่านก็ บ, บอกอ่ะถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะอยู่ต่อได้แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้อยู่นัดอยู่ได้านา น, ดานหรือไม่นานก็อยู่ไปก็แล้วกนะันดูวันไปก็อยู่ได้ประมาณเก้าพรรษาเลยกันขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ฟังประวัติ เอ้ได้ได้มีความสุขมากเลยครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังครับก็เกี่ยวกับเทวทูตคือความตายความตายนี่ยเป็นตัวเป็นตัวจุดประกายจุดให้เราเห็นทางตันทางทางโลกเนี่ยเป็นทางตันจะนําไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนําไปสู่ความทุกข์เพราะเมื่อเข้าสู่ขั้นทั้นแล้วการทําความสุขนี้ก็หาไม่ได้นะ ความสุขจากลาบยุดสรรเสริญจากรูปเสียงกินว่านี้ปัญหาไม่ได้มันไม่ได้ต้องคอยไปหาหมอหายามีแต่เมตนานะครับเจ็บปวดทางร่างกายคนทางตะวันตกนี่เขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องราวนี้ข้ามัวแต่อหาราบยุสรรเสริญสุขตอนที่เขาเป็นหนึ่งเป็นสาวเป็นเพราประเทศเขาพัฒนาทางด้านวัตถุมา เขาสามารถหาล่าเนื้สาะเหินสุดได้แต่พอถึงเวลาเข้าถึงวัยชราเวลานั้นนะ่ะเขาจะมีความรู้สึกเศร้ามีความชึำเศร้าไ ม, าม่ไม่คม่อยหาความสุขไม่ค่อยได้นะแล้ท่านนั้นเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายเขาก็อยากจะข้ามตัวตายกั น, นมปีประเทศที่เขาออกกฎหมายอนุญาตให้หมอช่วยฉีดยายให้ตายได้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคนที่อยู่ในยุโรปบางคนที่เขาอยากจะตายเขาก็ไปตายที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ไม่สามารถหาความสุขได้แต่เรารู้รจักทางตาม น, นี้มาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบเคยคิดนะว่าเราไม่อยากอยู่ไม่ตอนนั้นก็เคยคิดว่าเราไม่อยากจะแก่นะขอให้อยู่แค่อายุสามสิบห้าก็พอแล้วที่อย่าง เห็นคนแก่แล้วไว่าแล้วไม่อยากจะอยู่แบบนั้นอันนี้ก็เลยมาเกือบสี่สิบปีแล้วก็ยังยังอยู่ได้กเป็นแก่แล้วแก่เลยครับก็เรา่มมีบ้างนะเจ็บหลังเวลาเดินเป็นท่าชอบเหื่อยหล้างล้างขนล้าแผงก็ต้องคอยหยาดเช่นก็พอพอพอประทางไปได้แต่ั้นนี้ไม่ไม่กังวลแล้วเพราะใจไม่ทุกข์กับมัน ใจมีความสุขได้ไม่เกี่ยวกับร่างกายนะร่างกายจะเจ็บจะจะเป็นจะตายก็มันไม่ได้มากระทบกระเทงกับใจนะเข้าใจได้ตัดความความเชื่อมต่อนะระหว่าวอุปทานในร่างกายนี้มันไม่มีเนละอุปทานในขันธ์หน้าไม่มีมันเข้าใจแล้วมันเป็นตายรับไปยึดไปติดไปหวงอะจากมันไม่ได้ต้องให้นับแต่มันจะให้เรา เราไมเรียกร้องจากมันไม่ได้ขันห้ามันเป็นผู้ให้เราเราอยากไปเรียกร้องจากมันเพราะเราจะผิดหวังมันจะไม่ให้เราเราจะให้มันเรียกร้องให้มันให้ให้ตัดสุขเขาเวทนาของเราอย่างเดียวมันไม่มันไม่ให้เราแล้วมันจะเพิ่มทุกขเวทนาให้กับเรามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่เราเข้าสู่ม่านฝ่ายมันชีวิตสู่เวทนามันจะให้เราน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันจะให้ทุกขเวทนาเรามากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เราเข้าใจหลักแล้วว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เรียกร้องจากอะไรจากมันไม่ได้ต้องยอมยอมรับกับสิ่งที่มันให้กับเราเท่านี้พอเรายอมรับเราใจกับไม่ทุกข์กับมันนะเพราะเราไม่มีความอยากโดยที่ทําให้ใจถึงความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่มีแล้วมันก็ไม่ทุกข์อยู่กับมันได้อยู่กับขันธ์าดได้ มีคำถามนะครับอาจารย์แล้วในชีวิตนี้เคยมีทุกข์หนักๆไหมครับอาจารย์ครับไม่รู้จะทุกข์ตอนไหนมันไม่มีนะถัถ้งที่ถึงกับเราะถึงกับมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มันไม่มีตอ้องยิ่งตอนที่มาบวช น, นี่มันแทบจะไม่มันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องกิเลสเทาทุกข์กับความอยากที่เราอยากกบจัดไม่ได้เลยครแต่เรื่องของทุกข์กับ คนตายนี่ไม่ทุกข์เลพ่อตายแม่ตายนี่เฉยๆคนที่เรารักคนที่เรารู้จักตายนี่มันไม่ได้รู้สึกเบื่อนอนไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเปนเรื่องธรรมดาขอบคุณครับอาจารย์ครับเผมขอโอกาสถามคำถามจาก เ, เพื่อนๆต่อนะครับคุณวิการดาครับบอกว่าทาไมยิ่งศึกษาธรรมยิ่งเป็นทุกขะเบื่อโลก คือเราศึกษาแล้วแต่เรไม่ปฏิบัติมันก็ทุกข์เลยว่าธรรมะสอนย่างเรื่องทุกข์ให้เรารู้จักเมื่อก่อนเราไม่นํามองเรื่องทุกข์กันเรามองแต่เรื่องสุข ก, กันทำที่เราไม่ศึกษาธรรมะทางโลกจะสอนให้เรามองแต่หาความสุข ก, กันได้นั้นมาก็สุขได้นี่มาก็สุขได้ลาบยศสรรเสริญมันก็สุขหมดใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยทุกข์กันเพราะช่วงนั้นเรามีกําลังที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุข ก, กับเราได้ แต่พามาศึกษาธรรมะท่านบอกว่าแล้วต่อไปถ้าเกิดมันไม่มีกําลังที่จะหาสิ่งของนี้ได้แล้วมันจะเป็นอย่างไรไปแล้อาจจะทุกข์เราอาจจะแก่เรา จ, จะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแล้วเราจะไปหาความสุขอย่างที่เราเคยหามาได้อย่างไรหรือถ้าเราตกงานหรืออะไรธนงนี้เศรษฐกิจตอนนี้ตกต่ำบริษัทอาจจะล้มละลายต้องปิดเ น, น, น, นีพอเราเริ่ศึกษาเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่ ง, งต่างๆมันทำให้เราทุกข์ขึ้นมา แต่เราไม่ศึกษาว่ามั น, ม, นมีมัด ท, ที่จะมาดับความทุกข์เราได้มักก็คือเครื่องมือที่จะมาทำให้เราไม่ทุกข์กับความไม่น่านอนความแปรปวนความเสื่อมของสิ่ ง, ง, ง, งต่างๆของร่างกายเราเราต้องศึกษาให้มันครบถ้าเราไปศึกษาแต่แค่ทุกข์กระสับอย่างเดียวมันก็เห็นอะไรก็ทุกข์ไปหมดเราต้องม อ, มองที่ที่รอน คามดับทุกข์ทุกทุกที่เกิดนี่ดับได้เป็นสิ่งที่เราดับได้ดับด้วยมากคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เราถ้าอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มนักษาศีลกันนะ้เริ่ ม, ม, สส เ, รมเริ่มเจริญสมาธิเริ่มเจริญปัญญาถ้าเราเริ่มศึกษาเริ่มปฏิบัติจเจริญ ม, มากต่อไปเราก็จะมีกําลัง และความอยากที่เป็นเหตุของการสร้างความทุกข์ให้กับใจขอรเราได้เอางไปใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ตอนนี้เราทุกข์เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาวิธีดับทุกข์นั่นเอ ง, องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติไตศิกขาสีรร ม, สมาธิปัญญาคุณทนพงศ์ครับ อยากสอบถามพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งอยากลักกาลเพิ่งทํายากมากๆมีทางอื่นอีกไหมครับนอกจากการเจริญอสุภาษก็ไม่ร really so ู้จะทางอื ah ่นมันมีพระเจ้าคงจะสอนมานานนะมันมีทางเดียวฮะทางที่จะรัเพราะกาลนี่มันเกิดจากการไปเห็นสุภาษเห็นของสวยๆงดงามใช่ไหมถ้าไปเห็นคนหน้าตาขี้เหร่เนี่ยมันเกิดมันเกิดกาลอารมณ์ขึ้นมาหรือเ่าไม่เกิดใช พอไปเห็นคนที่เขาหน้าตาหล่อเหลาสวยๆงามๆเห็นแล้วมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมานั่นก็ต้องแก้ด้วยทางตรงกันข้ามเมื่อสิ่งสวยงามทําให้เกิดการอารมณ์ก็ต้องมองมุมกลับมองมองตอนที่มันไม่สวยงามอยู่ก็อาจจะถ้ายังไม่กล้ามองแบบลึกเข้าไปมองคนมองศพมองอาการทางที่สอก็มองคนที่เวลาเขาไม่สบายหน้าตาไม่ได้หวีผมหวีผม หรือมอคนที่เกิดขึ้นมาตอนเช้าอย่างเงี้ยหน้าตาขี้ตายยังแตยังขี้ตายยังติดตาอยู่แล้วก็ปากก็ยังไม่ได้แปรงฟันกิ่นแม้นอะไรน้อยไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรดูในสภาพที่มันยังไม่ได้มีการปรุงแต่งอยู่ก็ได้ถ้าเรายังไม่สามารถมองสภาพที่มันมันยากไปกว่านั้นอย่าไป ม, มองตอนที่เขาเอามาพรีเซนต์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยเอามานอกบ้านนี่ ทำหน้าทำท่าหน้าหน้ า, นาแปลงฟัน ห, หวีผ้าวิผมแตกเนื้อแตกตัวเสริมนุ่นเสริมดีคนระับมัออกมาดูแล้วมันก็ ม, นกมันก็กลายเป็นเของหน้าดูของที่ไปกระตุ้นการระมมลได้ถ้าเรายังไม่กล้ามองลึกเข้าไปข้างในมองดูอาการต่างๆอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายหรือ ม, มองดูศพเนี่ยแล้วก็ดูตอนที่คนเขาไม่สบายก็ได้เวลาไปเยี่ยมคนไข้ที่เขไม่สบายหรือหน้านตาก็อะไร หน้าตาเบึ้งตึงบึ้งตึ ง, งผมภาพไม่ได้หวีอันนี้ก็ได้ดูในสภาพตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ดูคนชราก็ได้ถ้าเราเห็นคนนี้ว่าเขาหน้ารักก็ดูตอนที่เขาแก่แล้วเป็นยังไงดูคนแก่เพราะคนแก่เราที่เขาเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเหมือนกันใช่มแต่ทั้วันหนึ่งเขาก็ต้องกลายเป็นคนแก่ คุณชนะการครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเราเอาเงินของเราทําบุญเป็นชื่อหลานหลานจะได้บุญหรือเปล่าคะไม่ได้หรอกเงินยเงินถ้าเป็นของเราหลานก็เขาไม่ได้บุญได้ใดใช้หลานได้บุญต้องไปเงินของหลานเองแล้วก็เป็นเจตนาของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราให้เงินกำลังอันนี้เอาไปทําบุญอนี้เขาก็ไม่ได้บุญอย่างเดียว <Okay. S 2> ว่าเป็นการสัตวเป็นเจตนาของเราเขาสิ่งที่เขาจะได้ก็คือหัดทาบุญนั่นเอง คอต่อไปเวลาโตขึ้นแล้วเขามีเงินทองของตัวเองแล้วเขาอยากจะทําบุญเขาก็จะรู้ว่าวิธีทำบุญว่าทำอย่างไรทําไมสอนเขาจะมนจะโตขึ้นเขาไม่รู้จักวิธีทําบุญใช่ไหมไม่รู้ทําบุญทํำยังไงคุณชัดครับเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไปบวชแบบเอาจริงเอาจังแต่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วเราเก็บเอาไว้เป็นแผนสํารองแบบลืมไปเลยแล้วปฏิบัติได้จนพ้นทุกข์แล้ว แล้วกลับมาใช้ทรัพย์สินนั้นทําบุญจนหมดแบบนี้จะทําได้ไหมครับกลัวมันจะไม่ลืมไปซิถ้าลืมมันก็คงไม่เก็บเอาไวน้นะงั้นถ้าไปก็ต้องทุบหมอข้าวทิ้งเลยนพระเจ้าตากสินหลวงเมืองจันทเนี่ยฮะ <Okay. S 2> ถ้ามันยังมีข้ามอข้าวมารอเราอยู่มันก็อาจจะไม่ทุ่มเทให้กับการต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ชนะมันก็อดข้าวเพราะทุบหม้ข้าวที่หมดแล้ว ต้อเอาแบบเนี้มันถึงจะไม่มีทางย้อนกลับถ้าเรายังเปิดทางให้ย้อนกลับอยู่เดี๋ยวมันต้องหากิเลสมันต้องหาทางหลอกเราให้ย้อนกลับไปอยูงได้มันก็เสียเวลาไปบวชต่อไปไปแล้วต้องย้อนกลับมาถ้า จ, าจริงจริงเขาจะมีจริงต้องสลารัพย์ไปเลยตอนที่เราไปบวชนนีนแม่ก็ซื้อที่ใส่ชื่อเราไว้แปลงหนึง่งแล้วก็ต้องส่ง ส่งส่งเสริมเราให้เราคอยเซ็นชื่ออยู่เลยเพราะบางทีมีการรางวัดคนข้างที่เขารางวัดก็ต้องมีการเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้เราบอกแม่อยโอนไปชื่อแม่แล้วก็เราไม่เราไม่อยากจะยุ่งนะเราะเราก็ไม่รู้จยาที่ไปทํำเลย <c oughs> ทำก็เลยก็เลยหมดปัญหาไปอ <c oughs> ย่างไปบวชก็ต้องกังวลว่า เ, เดี๋ยวนี้เงินบลอดภัยแรือเปล่าถ้าได้ข่าวว่าธนาคารเริ่มมีปัญหาเนี่ เดีย๋ยวคนก็วิตกข่าวนหนึแล้วั้นมันจะกลายเป็นนิวรณ์ไปมันจะกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติใจเราจะไม่โลภใจเราจะมีภาระผูกพิพลั์อยู่ในใจทำที่ดีก็บอยจากไปเลยให้มันดูงานรูง้อนไปจะน่าไม่ต้องกลับไป ไม่นำมันไปไม่ได้แนะเพราะไม่มีอะไรจะกลับไปนะกลับไปก็ลาบากกว่การบวชการบวจะมีข้าวกินฟรีมีบ้านฟรีอยู่แต่ถ้าศึกไปแล้วี่ทําเลยเนี่ยไม่มีเงินเลยบ้านก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินจะมันจะได้ไม่กล้าศึกกันคนที่ศึกศึกกันส่วนใหญ่เนี่เป็นพวกที่เขามีมีอะไรเรารับแล้วเขาถึงศึกกันถ้าไม่ถ้าไม่ศึกไปแบบไม่มีกินหรอถ้าไม่ไม่มีเงินอยู่ก็เขาจะไม่สึก คุณปิยรัตน์ครับวันนี้ได้ไปกราบพระอาจารย์ที่กุฏิด้วยค่ะไม่ได้อยู่ถามคําถามต่ออยากทราบว่าถ้าหนูไปปฏิบัติธรรมหรือศีลแปดแล้วโรคกระเพาะกำเริบระหว่างนั้นหนูจะปฏิบัติต่อได้ไหมคะการปฏิบัติมันก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายมันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าถามว่าถ้าเราอยู่ระหว่างนั้นเราไม่สามารถถือศีลแปดได้เราถือศีลเจ็ดได้ไหมอันนี้ก็ มันก็แล้วแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทางวัดนี้เขาห้ามหรือเปล่าเรการรับประทานอาหารตอนช่วงมว้เยน็นนี่แต่ถ้าสมมุติว่าการการเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามันเปน็นโรคปสาทช่วงนั้นเราอาจจะต้องระงับการปฏิบัติไว้ช่วงคราวกแล้วมากลับมารักษาร่างกายให้มันหายเป็นปกติก่อนแล้วค่อยค่อยกลับไปปฏิบัติใหม่แต่มันก็มัน แล้ววิตกังวลไปเห็นหรือเปล่ า, าคนที่เขาถือสินแตกกันแล้วไม่เห็นเป็นนอกกับเพาะกันก็มีต้องเยอะแยะนะอ่ะถ้าถ้ามีปริมาณมากอย่างนั้นก็ น, น่าวิตกหน่อยแต่ถ้าที่ได้ยินมานี้คนที่ถือสินแตกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องกระเพาะอะไรนอกจากมีโรคประจําตัวมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่าทาอาจจะต้องอาจจะต้องไม่สามารถทําได้ก็ต้องถือสินห้าไป รือสินเจ็ดไปก็ได้ซื้อซื้อสินเจ็ดข้อเพีแต่ ข, ข้อข้อที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอาจจะต้องรับประทานมื้อเย็นด้วยคุณวิทวัตครับอยากช่วยอธิบายการพิจารณาวิปัสนาของธาตุทั้งสี่ครับธาตุทั้งสี่มันก็บอกตัวของมนันเอง่าธาตุน้ำน้ำก็คือของเหลวนี่ เช่นน้าที่เราเห็นในบึงในทะเลนี่ก็เรียกว่าธาตุน้ำํำธาตุดินก็คือของแข็งที่เราเหยียบบนแผ่นดินทั้งหลายเนี่ก็เป็นธาตุแล้วก็ธาตุลมก็เนี่ยก็คืออากาศที่เราหายใจเนี่ยอากาศที่เรามีออกซิเจนมีอะไรนี่เขาเรียกว่าธาตุลมแล้วธาตุไฟก็คือความร้อนความร้อนที่เราได้รับจากแสงแสงพาทีทเ่เป็นหลักเอง ถ้าลกเรานี้ไม่มีาพาธิณีแล้วง้อเราอยู่ไม่ได้รโลกนี้มันจะหนาวเยน็นเป็นเหมือนอยู่ที่บนโค้งโลกเห น, นืออย่างนี้ถ้าขาดธาตุสีท่ที่ที่อยู่ในปริมาณที่พอเพียงชีวิตแต่งตายก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้ใบา ย, ยากก็เกิดไม่ได้คนก็เกิดไม่ได้ที่คนที่ทําให้คนเรามีร่างกายนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะเรามีธาตุทั้งสี่นี้เข้ามาเมื่อธาตุทั้งสี่มันเข้ามาในร่างกายมันก็ ทำหน้าที่แปลงมันมันประสมกันเพื่อที่แปลงให้ไปเป็นเป็นเซลล์ชนิดต่างๆใช่ไหมคหุณหมอก็ที่จะได้ไปเสริมอวัยวะต่างๆไนเป็นเซลล์ของผมเป็นเซลล์ของผิวหนังเป็นเซลล์ของอะไรต่างๆมันก็มาจากอาตาสี่เนี่ยที่เราเอาเข้าไปธาตมก็เข้าไปทางจมูกนหายใจอยู่ตลดเวลาถ้า น, น้ำก็มากับเครื่องดื่มต่างๆที่เราดื่มเข้าไป ธาตุดินก็คืออาหารที่ที่เรารับประทานมีข้าวเป็นต้นนี้ก็ามันเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดินส่วนความร้อนเราก็ได้จากเนื้อจากจากแสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้จากเวลาที่อาหารเวลาธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสาคือดินน้ปาประดมมาผสมกันมันก็ทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาคุณหมอเขาเคยศึกษาทางเคมีใช่มในเรื ation, mm ่องออกซิเดชัน เ, เ, เลลวลาเราเอาท่านบางอย่างมารวมกันผสมกันในน้ําแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดความร้อนขึ้นมาอันนี้ก็อันนี้ก็คือธาตุธาตุไฟเกิความร้อนเนี่ยไอ้ธางุทั้งสีเนี่ยเราเอาเข้าต่อเนื่องทุกวันต่อเวลาถ้าจะตลอดเวลาก็ได้ลมหายใจนี่เราต้องเอาเข้าไปเปลี่ยนเอาลมใหม่เข้าไปเปลี่ยนลมเก่า อารมณ์เก่านี่มันเป็นพิษต่อร่างกายนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรามันต้องถ่ายไปแล้วก็อารมณ์ใหม่ อ, ออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนมันก็เข้าไปผสมกับธาตุดินธาตุน้ำทําให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนี่ก็คือการทํางานของธาตุทั้งสี่ในร่างกายของเราร่างกายของเราทั้งทั้งร่างกายนี่มันเป็นเหมือนโรงงานที่มีการอ มีการต่อเติมมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยการการการเติมธาตุาทั้งสีเข้าไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งเมื่อระบบการผสมการทำงานของธาตุทั้งสี่หยุดเช่นเกิดอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ทำงานเช่นหัวใจหยุดเต้นก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะ, ะใช้บอน ธาตุทั้งสีที่อยู่ในช ใ, ในในสายเลือดไปสู่ตามตามส่วนต่างๆของร่างกายนะร่างกายมันก็จะหยุดทํา ง, งานทํา ง, งานมันก็ตายพอตายแล้วทีนี้ธาตุที่มารวมกันมันก็จะแยกตัวของมันเองโดยโดยธรรมโด ย, โด ย, โดยโอัตโนมัติธาตุลมก็จะกลับไปสู่ธาตุลมธาตุน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายออกมาทางทวาวตา่างๆธาตุไฟก็หายไปจากร่างกายเนื้อ ถ้าทิ้งไปนานๆมันก็จะเหลืแต่ธาตุดินร่างกายกระแห้งกรอบน้ำแห้งกระดูกแห้งอวัยวะต่างๆแห้งทิ้งไปนานๆมันก็ผุกลายเป็นดินไปคุณชิตสนุพงครับยิ่งศึกษาธรรมยิ่งอยากรู้ความอยากนี้ควรดำเนินต่อไปไหมหรือควรหยุดเพราะเดี๋ยวฟุ้งครับงงครับยิ่งอยากรู้ การอยากรู้ก็ดีถ้าอยากจะรู้ความจริงอย่างรู้ธรรมะนี่เป็นความความอยากที่ดีไม่ได้เป็นกิเลสเขาเรียกว่าความใฝ่ธรรมความยินดีในธรรมเพราะการยินดีในธรรมจะพาให้เราไปสั ม, สมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงในการศึกษาต้องรู้ว่าเราควรจะศึกษาธรรมแบบไหนถ้าไปศึกษาธรรมแบบที่เขาทาอันนี้มันไม่มันไม่ควรมันมากเกินไป คนศึกษาธรรมที่เป็นมักก็พอเพราะเราต้องการมักเพียงเดียวที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะมาดับความทุกข์ใจของเราไม่จําเป็นจะต้องศึกษาธรรมอะไรในระดับอื่นเนื่องจากว่าเพระตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมนี่ท่านทรงสอนให้คนหลายระดับด้วยกันคนที่ยังเข้าไม่ถึงมักก็มีก็สอนให้เขารู้จักวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความเมตตากรวนามุนิตาเวค า, าอะไรอย่างนี้ ไม่มีความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรอันนี้เป็นธรรมที่มันเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับผู้ระดับของคารวะผู้คลองเรือนองนี้เราอย่าไปนสนใจธรรมเหล่า น, นี้ถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการดับทุกเ ป, เป็นเป็นเป้าหมายของเราเราก็ต้องเอาธรรมที่ท่านสอนพระปฏิบัติก็คือมรรคแปดแล้วก็สติปัฏฐานสี่นั้นก็พอ พอยิ่งยิ่งไปยิ่งไปศึกษามากยิ่งสับสนใหญ่เพราะทำแต่ละดับมันอาจจะขัดกันได้คุณสมพรครับถ้าคนในครอบครัวเป็นคนจุกจิกจู้จี้ไปทุกเรื่องบ้านจะแตกด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทุกทีไปต้องใช้ธรรมะอะไรดีกับบุคคลที่มีจริตแบบนี้ครับก็มองเขาว่าเป็นเหมือนยินฆ่ากันไแล้วะแบบอนัตตาเป็นธรมนนธรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ วันดีกันดีครับว่าน้ําท่วมใส่เราบางทีบางทีเขว่าพายุใส่เราเราไม่มีทางเลือกเมื่อเรามาเกิดในโลกนี้เราก็มีไม่คน้นเราก็ทํางทาใจยอมรับเขาไปนั่นี้ถ้าเราคิดจะไปเปลีป่ย น, นแปลงเขาเราก็จะทุกข์คุณวิชัยครับอยากทราบว่าถ้าจิตดวงนี้พาเกิดพาตายแล้วอะไรที่ทําให้จิตดวงนี้เกิดขึ้นมาครับ อางทีพระวจนะของคนหาคําตอบไม่ได้พระเจ้าบอกว่าไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือทำไมให้ใหดวงจิตนี้หยุดการไปเกิดไปตายดีกว่าเท่านั้นเองสอคข้อพบสาเหตุว่าจิตดวงนี้ที่ไปเกิดไปตายก็เพราะตัณหาทั้งสามคามอยาตัณหาภวาตัณหาวิภวะตัณหาความอยากในรูปเสียงจิตความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือความอยากในรูปประชานความอยากในรูปประชานนี้ ที่าให้ไปเกิดในายพมความอยากในการมาตัญหาก็าพา player, ให้มาเกิดในกายมาพบความอยากในรูปประชานเขาพาให้ไปเกิดในรูปประพบความอยากในอรูปประชานเขาพาให้ไปเกิดในอารูปปพบต้องรัความอยากทั้งสามนี้เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเมื่อมีความสงแล้วจะไปสนใจทําไมว่ามันมีที่เกิดมาจากที่ไหน มันไม่เป็นประเด็นสําคัญว่ามันมาจากที่ไหนประเด็นทางัญว่าการที่มัมันมีปัญหาหรือเปล่าปัญหาของมันคืออะไรปังหาของมันก็คือความทุกข์เราก็ต้องมาแก้ปัญหาเราโชคดีมีคนรู้จักวิธีแก้ปัญหานี้คือพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า น, นี้จะไม่มีใครรู้จักวิธีแก้ปัญหานี้ได้อยา100่างร้ออร์เซ็นได้อย่างท้าวมอญแต่แก้ได้ก็เป็นแบบชั่อชื่อเป็นชื่วระยะเป็นพพัก คือดับความทุกข์ได้ด้วยการเข้าฌานนั่นเองแต่พอ อ, อกจากฌานมาเดี๋ยวพอเริ่มคิดเริ่เห็นความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกขึ้นหน่อยจะมีพุทเจ้าสองคนเพราะว่าความทุกข์เกิดจากความไม่อยากแต่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่แล้วห้ามมันไม่ได้เมื่อยามแล้วมาห้ามันไม่ได้มัต้องแก่ต้องเจ็ บ, ต, จบต้องตายตก็ยอมแก่ยาวเจ็บยาวตายทั้นั้นก็หายทุกข์คุณโรอครับ ปรามสการพระอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกสักพักรู้สึกวูบเย็นตามขาเรียกว่าได้สมาธิใหม่ครับไม่ทราไปเย็นตามขาได้งไงมือถ้าเย็นใจเนี้ยฟังอย่างน่ายังงน่าเข้าใจอยู่นะถ้ายังรู้สึกตามร่างกายอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นสมาธิเอาเป็นสมาธิจริงนี้มันจะเยนที่ใจสงบใจจะสบงบแนงเย็นสบายแล้วจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเน้นรับรูเรื่องของทางร่างกายอาจจะเป็นเพียงแต่เริ่มเข้าออบางส่วนแล้วแต่ยังไม่เต็มที่ถ้ามันสงบมันนิง่งมันสบายมัมีความสุขก็ถือว่าเป็นสมาธิได้แต่มันจะเห็นรูปหรือไม่เห็นรูปนี้ม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สําคัญคุณตุกตาครับ การเรียนถามหลวงพ่อคะว่ามักไม่ได้ทําบุญใส่บาทกับพระสงฆ์ตามตลาดถ้าทําจะไปทําบุญที่วัดแต่ตั้งใจบริจาคโลหิตอย่างสม่ําเสมอเกือบสี่ครั้งและอุทิศบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับบุญจะต่างกันอย่างไรไหมคะบุญคือความสศรัทธาเราดูสีว่าเราบริจาคเนื่องล้วเรามีความสรัทธมากกว่าการที่เราใส่บาทหรือไม่มันก็อยู่ที่อยู่ที่ความรู้สึกที่ทใจเราเนี่ย เราทําบุญแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราสุขรุกมากกับ ว, วิธีไหนที่เราทำแล้วเราศุกรมากแล้วถ้าทำวิธีนั้นก็แกัน แ, แล้วก็สามารถบดชิปบุญได้คุณธนพงศ์ครับทําผิดสี่ห้าครบทุกข้ออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแต่การตัดการตัดกิเลสทำยากมากมากครับอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับก็ทําน้อยจากน้อยไปหามากก่อนสิห้าข้อนี้เราคิดว่าข้อไหนเราทําได้ก่อน เอาข้อเดียวก่อนดื่มโซดาหรือร่างน่างไหมร่างไม่ได้ไม่พูดผลได้ไห ม, ไมเวลาจะพูดอะไรถ้าจะรู้ว่าจะพูดผดก็อย่าพูดก็แล้วกนะันเฉยๆไว้หรือบอกปฏิเสธนะว่าผมพูดไม่ได้ผมไม่อยากจะพูดอะไทำอย่งนั้นก็ได้หรือหรื อ, รอเบรกเบรกประเด็นไปเลยก็ได้ไปคุยเรื่องอื่น ก็คุยเรืนี้แล้วก็แบ่งไปคุยเรื่องสินค้ากานเรื่องการบานการเมืองอะ่รก็ได้อันนี้เราก็สามารถที่จะรักษาข้อข้อสี่นี้ได้คือไม่พูดปดได่าย้วมันก็ต้องพยายามมีความมีความตั้งใจแล้วก็ต้องหาหาหาแนวทางที่จะทําให้เราทําได้แล้วก็เราทดลองดูว่าข้อไหนมันง่ายสําหรับเราเราก็อรักษาข้อนั้นไปก่อน ค่อยๆก็อยากไปข้อที่ยากขึ้นตามลำดับไปต่อไปก็ทําได้เองคุณพงพันธ์ครับอยู่คนเดียวกลัวผีมากๆอยากทราบว่าสิ่งต่างๆที่ผีหลอกนั้นเป็นผีมาหลอกจริงๆหรือเราหลงคิดไปเองครับส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดของเราเองนะพอเราอยู่คนเดียวปั๊บเนี่ยที่ที่เมื่อกี้ท่านอยู่รายคนนี่เราไม่รู้เสียก็ไม่ผีเลย แต่พอเราถูกให้อยู่คนเดียวยิ่งปิดไฟด้วยแล้วยิ่งคิดใหญ่เลย้อยผีมานะมันจะเป็นเรื่องของความคิดจับทั้งนั้นเราวิธีแก้ผีตัวนี้ก็หยุดคิดไปเราเกิดความกลัผีขึ้นมาได้เท่าพุทททไปแลว้วส่วนในิปิโสไปร้อยจบแล้ ส, วสว่วนกระจำกลางความกลัวจะหายไปถ้า เ, า, าเราส่วนเป็ากพักเราหยุดคิดแล้วความกลัผีก็จะ Right now, wisdom, kindness, love, mindfulness practice. When w o r r i e d if I'm feeling really worried about my health or family, how can I better practice Dhamma and think so that I can better let go of attachment, attachment to family and health. Thank you. Well, see, you have to you have to practice before you you feel. You feel bad. You should practice when you feel good, because when you feel bad, you might not be able to control your mind to to do the practice of mindfulness. So you should try to practice mindfulness while you still feeling okay, not feeling bad. Because as soon as you start to feel bad, and if you don't have mindfulness, if you haven't trained yourself to use mindfulness, you will not be able to use mindfulness to stop your your bad feeling. So you should do mindfulness all the time before you be, before you become sad or unhappy or worry. Because by that time, it, it, it, will, it will be like beyond your control to stop your worry. So try to practice mindfulness before that happen. So that when when you start to feel w o r r then you can use mindfulness to stop it. คือเขากังวลเรื่องว่าถ้าเกิดเรามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ขอ ง, ของครอบครัวนี้เราจะทำไงเพื่อให้เราสามารถที่จะหยุดความวิตกกังวล น, นี้ได้เราก็ต้องฝึกสมเราต้องฝึกสติก่อนที่เราจะเจอเหตุการณ์จริงหรือเราคนรจะฝึกสติตอนที่เราสามารถทํำไาน ตอนที่เราใจเราสบายใจเราไม่มีไม่มีความเครียดต่างๆเพราะเวลาถ้าเกิดความเครียดเกิดความกังวลนี้มันจะมันจะยากต่อการที่เราจะมาฝึกพุทโธพุโทพโธอยู่ความคิดได้เั้นเราเริฝึกตอนที่เรายังไม่มีปัญหาเช่นช่วงตอนที่เราตื่นมาแต่เช้าเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีความเครียดเทอะไรเราตื่นมาตอนนั้นเราก็เริ่มพุโทโธเลยอยากปล่อยให้ใจละไปคิด พอเดี๋ยวถ้าปล่อยให้ใจคิดไปสักพักเดี๋ยวมันเริ่มเครียดได้นะคิดพอไปคิดคิดถึงเรื่องต่างๆมันจะเครียดขึ้นอันนั้าเรายังไม่มีความจาเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรอย่าให้มันคิดบางครั้งมันอยู่พุโทโธพุธโทโธไปได้อยู่กับบทสวดอิทธิปิโสไปก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกสวดสวดก็ได้ทําพุโทโธก็ได้พุโทโธทำโมสังโฆก็ได้พุทธังสนานังกระฉามิก็ได้คือให้ใจมันมีอะไ เพื่อที่มันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราฝึกทํานี้ไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเวลาที่จมันจะเครียกับเรื่องนั้นเรื่องนี้น เ, รนนเราก็สามารถพุ่นโชวพุ่โชว์เมื่อส่วนมันหยุดมันได้คุณโคโก้ครับขอพระอาจารย์แนะนําการตัดใจจากรักและครองตัวเป็นโสตั้งปฏิบัติธรรมะตลอดชีวิตค่ะมันต่างที่ว่าความรักนี่มันของชัวง่วคราวไม่มีอะไรแน่นอน คนที่เราเั่นนี้อาจจะเปลียนได้รลางใหม่ๆก็อาจจะเป็นเข้าใหม่ตามมม่แต่พออยู่กันไปด้วยทระยะนึงนิสัยก็อาจจะเปลี่ยนนะฮะธาตุแทง่งน้องๆอาจจะออกมาก็ได้ตอนต้นตอนที่เขาอยากได้เราก็อาจจะเสียสละเขาอาจจะอปิดกั้นความความเป็นการตัวของเขาเพื่อที่จะเอาเอ า, เอาใจเราชนะใจเราแต่พอเขาได้เราแล้วก็าอาจจะไม่เห็นความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ได้ นีท่าทางของเขาก่ากจะออกมาได้ถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเจ้าลามเขาก็จะไม่ยับยั้งนะเพราะเขาเขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะเขาก็เลยไม่สนใจว่าเราจะรู้สึกยังไงต่อการกระทาของเขาแล้วเราคิดว่าคนเรามันเปลี่ยนได้นะไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนกับตอนที่เราครบกันใหม่ๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาดีจริงๆก็ท่าทางขงเขาเป็นคนดี เขารักเราเสมอต้นเสมอปลายเราก็จะมาทุกกับการที่ว่านั้นถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแล้วเ ร, เรจะทําอย่างไงเกิดเขาพกิการไปไม่ไม่สบายตายไปเจอมีบัติเหตุตายไปเรื่องอะไอย่างเนี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราคิดถึงความไม่แน่นอนของเรื่องราวเหล่ า, ลานี้แล้วเราก็อาจจะคิดว่าการอยู่คนเดียวมันน่าจะดีกว่าจะไม่ต้องมาทุกขมากังวลกับคน อันนี้ก็เป็นวิธีคิดคิดถึงความไม่เพียงแท้แน่นอนของของของการการอยู่ร่วมกันคุณอัญญีครับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาทำอย่างไรจึงจัสงบได้ท่ามกลางความวุ่นวายเนื่องจากยังต้องทำงานมีสังคมเจอทั้งความทุกข์และความสุขควบคู่กันไปอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องฝึกทาใจสงบในช่วงที่เราไม่ได้เข้าสังคม ตอนที่เราอยู่บ้านอย่างที่บอกเนี้ยตอนที่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านตอนที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี้ยเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะฝึกสติได้ถ้าเราฝึกสติได้แล้วเวลาที่เร า, เ า, าครอบสังคมแล้วเจอเรื่องความุ่นวายต่างๆแล้วเราจะสามารถใช้สติดํานะับมันได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเลยเรา ก, ก็ต้องก็ต้องทนกับความไวุ่นวายไปจนกว่ามันจะหมดแรงของมันเองนั้นอย่าประมาณเนี้ยเราเี็นช่วงหนึ่งของที่ ของแต่แต่ละวันที่เราสามารถเจริญสติได้คือช่วงนั้งแต่ตื่นเนี้ยรับช่วงที่เราไปถึงที่ทํางานเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเจริญสติได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้มันบังคับให้มันอยู่กับพุทโธบังคับให้มันอยู่กับการเตรียมตัวนับน้ำนับอาบน้ำนับนับนับการปันวิภาวนิพนธแต่งเนื้อแต่งตัวรละประทานานย้อนทางไปทํางาน ถ้าเราไม่ต้องขับรถเองนั่งไปแล้วก็พุโทโธหลับตาพุโทโธพุโทโธไปคุณึกสติไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเราไปทํางานไปเจอคนเจอเรื่องราววุ่นวายแล้วก็สามารถหยุดความวุ่นวายของใจเราได้ด้วยนะการเริ่มถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจคุณพงพันธ์ครับ อินซีห้าแก่กล้าหมายถึงอย่างไรครับและการภาวนาช่วยส่งเสริมให้อินซีห้าแก่กล้าหรืออินซีห้าแก่กล้าช่วยส่งเสริมการภาวนาครับอินซีมันก็มีมีมีปริมาณเ อ, อ่อจากศูนปอร์เซนไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกอินซีถ้าของคารวาส่วนใหญ่คู่ความเงินนี้นก็อาจจะมีแค่ห้าสิบห้าสิบมีแค่ห้าสิบเปอร์ซ็นตก็อินซีก็คือได้แก่ศรัทธา ศรัทธาใ น, ในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของคนงามความเนีต่างก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นศรัทธาอาจจะมีห้าสิบห้าสิบยังไม่เต็มร้อยบาที่ก็อาจจะเสือส่อมศรัทธาไนดะ้เวลาที่เกิดมีเหตุการณ์อะไรมาบีบคั้นจิตใจอาจจะไม่อาจจะไม่ยึดยึ ด, ย, ดยึดความซื่อสัต์สุจริตก็ได้อาจจะเพราะเราต้องการต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยการวิธีทับทุกข์จิตนี้ แต่ว่าอินทรีย์เราย่งแม่ครบร้อยถ้าเราอินทรีย์ครบร้อยเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในความสุจริตว่าเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดของจิตใจถึงแม้จะมีเหตุการณ์อะไรม า, มาบิบบังคับให้เราไปทำทุจริตเราก็จะไม่ทำได้อันนี้คือยกไปอ่ะองอินทีศรัทธาความเพียรก็วันทีตอนนี้เรายังไม่ขยันปฏิบัติอย่เต็มที่ เมกับผาปฏิบัติถ้าเป็นผ้าปฏิบัตินี่ท่านปฏิบัติวันละ20ชั่วโมงแล้วแต่เติมจนหลับเป็นสติสติก็ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงก็เป็นสติที่แก่กล้าสมาธิจิตก็สามารถนิ่งเข้าสู่ความสมาธิเข้าสู่ความทงหมดได้ทุกเวลาที่ต้องการปัญญาก็ค่อยควรพิจารณาอยู่แต่เรื่องไตรลักเรื่องอริยรสัจสีตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าแก่กล้า คุณพัฒนาครับกลาบภอาจารย์ครับเราไม่สามารถห้ามความคิดได้ใช่ไหมครับถ้ามีความคิดอะไรที่ไม่ดีเข้ามาเองเราก็แค่รู้ระวางเฉยไม่ไหลไปตามความคิดนั้นใช่ไหมครับถ้าเราทําได้ก็ดีเพอถ้าเรารู้ว่ามนไม่ดีเราต้องระล้อมได้ไมัไ ด, ไได้ถ้ามันสั่งให้มันเป็คิดในทางที่ดีได้เป็นคิดว่าจะไปค ข, ข้ามาในงานเข้ามาเปลี่ยนมายาวมไปทำยุ่งไม่ดีแบบนียใน ไก้กบวยเองเขาแล้วไปเบียดเบียนเขาแล้วก็ไปสร้างโทษให้กับตัวเราเองอาจจะทําอาจจะถูกเขาจากไปลงทษ่ด้แต่ถ้าเราเอาในมืออาวุธ น, นี้ไม่ดีเปล่าแล้วก็พิการณาพิจารณาที่เป็นทางที่ดีแต่ถ้าเราถ้าเราไม่เคยสึกมาก่อนถ้าเราไม่มีสติอยู่คนพิาจาราจะทําไม่ได้เอาความเชื่อไม่หมดออกมาแล้วมันจะมีแรงดัน วอ่งไปให้เช็ดดูีเรื่อยๆจะสาาที่ตามที่มันเช็ดได้หรืี่ก็การดสเปลี้ถือสำคัญกาเปลนั้นพยายามๆขอบช็ดไดแต่แต่ว่าเราไม่สามารถยัยั้งมที่ได้ตลอดเลยังได้ยินาอยู่นะได้ยินแต่เบาลงครับอาารยครับม้งต่อเพน่ย่างก็เดสิหน่อยอดให้ยากขึ้นหน่อย คุณสติครับในกรณีคุณพ่อคุณแม่ชอบไปทําบุญแต่เราติดตรวจทนไข้การอนุโมทนาบุญจะได้บุญเหมือนท่านไหมครับตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่ชอบไปทําบุญแต่เราติดตรวจทนไข้การอนุโมทนาบุญจะได้บุญเหมือนท่านไหมนะไม่ได้หรอกไอ้ บ, บุญเนาละชั้นนิดแต่เรายินดีกับการทําบุญของท่านนะแล้วก็ไม่ทุกข์ใจ แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบทำบุญล้วเห็นว่าการทำบุญนี่เป็นการเสียเงินเสียทองเรก็อาจจะไม่อย้ทุนอนุโมนาเพอเราเสียด้เงินที่พ่อแม่ต้องทำไปเพื่อกลัวว่าจะสูญเปล่าเราก็ไ่อยากมีทุนทำงานอย่างที่เราก็จะเป็นการสูยการมีเงนที่ดังที่้อหนาทำดีแล้วก็มีเหตุจากการมีของท่านแต่ถ้าเรายินดีว่าเนการงานที่ดีจะยอมทุนงานเราก็จะได้ความ แต่ไม่ได้บนแบบที่เราแับที่ท่านได้ยที่ท่านทำาเือที่จากการศึกษาแบบนี่เราไม่ไดย้าเราอยากจะได้รไไ เ, เราต้องท่าฟันไปให้พ่อแม่นองเราด้วยจากคุณรัญญาครับอยากเรียนถามว่าคนไข้ที่นอนไอซูใส่ท่อช่วยหายใจแต่รู้สึกตัวดีจะใช้ธรรมะข้อใดดีคะ กะแั้นแต่ว่าเขาสามารถใช้ทำงนานพวกไหายด้ก็มีสองข้อคือสติทรือปัญญาถ้าเขาใช้ปัญญาไม่น็น้ก็ถ้าถ้าไม่สติได้ก็ให้เขาทาใจให้สงบก้วยสติให้ต้องบริกรรมที่โถ่โถ่ไปสวดนต์ไปหรือให้ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ให้ไปคิดถึ่งนเพื่อความเจ็บข้าด้วยก่อนนั่ใจก็จะสลายใสงบ ไเดอทอทางจิตได้ดน่ากายถ้าใช้ปัญญาได้ครับพเจารว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้ดร่างกาย้ใช้ร่างกายอนนี้ร่างกายไม่สามารถตอัคสังขอรได้มาก่อนให้มันติดใตามเรื่องนถ้ามันจะตายก็ป่อมันเราใช้ปัญญาพจารไม่ไดุ้่ณสุตาครับ มันรู้ทีหลังว่าเราถูกเอาเปรียบโดนกดราคานะตอนนั้นใจเรารู้สึกเสียดายมากค่ะเราน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เฉยได้แต่ยังมีแอบคิดบ้างเราจะใช้ปัญญามาพิจารณาอย่างไรให้ปล่อยวางได้จริงๆครับถือว่เาเป็นการ ย, ากยันมีลมทางนะครับเมื่อที่เราได้แล้วเราก็ไปทำมีลมทางอีครับก็ถือว่าก็ออกไปต่อแล้วกันกดีเราจะได้ไปนั่งเดินทางไปว่าเป็นความมีความพอไม เรามรับกับเขาขาราเมื่ตรงไหนก็นให้เข้าไปเพราะเราที่เราเป็นทา น, น, นกา็มีใจเราสบายใจเราทำศึกษาคุณหลินครับฝึกไปฝึกมากลายเป็นอารมณ์สันโดษอยากใช้ชีวิตคนเดียวแต่เข้าใจค่ะเราสร้างความอยากอยากมีครอบครัวและลูกสร้างความอยากขึ้นมาเลยต้องชดใช้ความรู้สึกปัจจุบันได้แค่สอนลูกและปฏิบัติที่บ้านแบบถี่มากปฏิบัติปัจจุบันพยายามตัดกิเลสเลยคิดว่า ใช้ a ฟ e b o ๊ k ในการฟังธรรมและให้กำลังใจตัวเราเองพยายามเตือนตัวเองเสมอว่าอย่างนี้ทำถูกไหมเจ้าคะก็ทำเท่าที่เราทำได้ทำทำคือสิ่งสมาธิปัญญาไปทำรักษาสิ่งยาก็มาก็รักษาไปฝึกสนานกากาาามาธิได้นานน้อยเทาหร่ก็ทำไปเจริญปัญญาได้นานน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปหมายถึงทั้งามอย่างนี้ก็แล้ว ข้อที่สองบอกว่าอดอาหารดื่มน้ําเปล่าทําได้48ชั่วโมงมากกว่านี้ไม่ได้เจ้าค่ะแบบนี้ทําได้นานคือทานข้าวมื้อเดียวเจ้าค่ะทาน อ, อะไรก็ได้ตามที่มีให้ทานน้ําหนักก็ล ด, ดลงครับถ้าจะเป็นแค่6ชั่วโมนี้ก็จะว่าเป็นนองทัง้งวันช่วงเราอยากจะใช้การอดอาหารมาช่วยเสริมความเพียงเร า, าเราควรออกไป แต่ถ้าตามปกติก็รัฐบาลมั น, นก็นจะเห็ว่าเป็นการปฏิบัติที่ีสค่เ ก, ออกาาายะคุณสติครับมีคนทาธุรกิจเหมือนเราเขาพยายามเอาชนะเราทุกอย่างโดยสืบราคายาทุกอย่างของเราเวลามีคนมาซื้อแล้วขายในร้านตนเองในราคาถูกกว่าเราควรคิดอย่างไรคะเดแสดงว่าเราขายง ลาขายแต่เวลาเท่านั้แล้วก็ลดราคาขายต่ำๆไมาต้องอยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับคุณตุ๊กตาครับกับเรียนถามหลวงพ่อค่ะตอนนี้คุณแม่อายุ83ดสิบสามปฏิบัติธรรมตลอดแม่ไม่ได้คุยกับลูกๆและสั่งไว้ว่าถ้าท่านเสียชีวิตไม่ต้องเอาศพออกมาตั้งให้ใครรดนำ้ำศพขอเข้ามากันเฉพาะลูกๆหลานๆก็พอ ให้ขอเข้ามากันก่อนนําศพใส่โรงแล้วไม่ต้องเอาศพออกมาอีกก่อนเผาก็ไม่ต้องให้สับปปเปล่าเปิดโรงไม่ต้องมีขั้นตอนที่เอาน้ํามะพร้าวลดน้ําศพพิธีการที่แม่ไม่ต้องการแบบที่สั่งไว้นี้จะผิดพิธีกรรมอะไรที่มีผลต่อดวงวิ ญ, ญญาณหลังความตายไหมคะไม่มีหรอกคนตายแลยนะ้วจะไปทำอะไรไม่เกี่ยวกับดวงวิญญาณจะทอะไรก็ได้คุณแพทย์ครับ โยมขอคำสอนให้ปรงสักหน่อยค่ะโยมอุต ร, รักษาป้องกันตัวจากโควิดไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาก็รอดกลับไปทำงานได้สามวันติดโควิดจากวันหน้าโยมอยู่อเมริกาไม่มีใครใส่หน้ากากกันมีแต่โยมวันนั้นประชุมไม่ได้ใส่ค่ะมันเก็บไข้ได้ตัวนี่มันเรื่องของความไม่เรือนอนความตายแลือความุกไข้ได้ตัวนีัมนมันเกิดขึ้นได้ทุก เ, เวลาทุกสถานที่ แล้วเราก็รอคอยมามันจะเกิดก็เกิดเกิมาแล้วทุกคนต้องต้อต้อตายต้องเจ็บด้วย ก, กันทุกคนทุกชาติเลยสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามป้องกันให้จะให้ดีที่สุเดท เ, เ, เ, เท่าที่เราจะทำได้อารที่มันเป็นเรื่องเหตุสุ่มสายเราก็ยอมอย่าไปเครียดกันเลยยอมเจ็บทอมตายไหก็ไม่ประมาทมาป้องกันที่เราจะทําได้ คุณมีนาครักลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้จิตใจวุ่นวายรู้สึกอยากไปปฏิบัติธรรมสักห้วันค่ะแต่ก็เป็นห่วงกังวลกับคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ที่จริงคุณแม่พอมีคนดูแลช่วงที่ไม่อยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจดูแลท่านเหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยเช่นลืมห่มผ้าให้เวลาหนาวหรือสังเกตเวลาท่านเจ็บป่วยคราวที่แล้วดิฉันไปวัดกลับมาเจอคุณแม่เป็นแผลแต่ไม่มีใครสนใจค่ะแบบนี้เราควรปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมบ้างหรือควรอยู่ดูแลท่านก่อนดีคะ ก็ต้องช่างน้ำหนักโดนเาอาประโยชน์ที่เราคุณแม่ได้รับกับการไปกับการอยู่ถ้าไปแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เองมันเสียหายหน้าไปก็คิดว่าสมว่าถ้าเกิดเราเราไม่อยู่เราตายไปคุณแม่ก็ต้องให้มีคน เ, นเด็กเาดูแลอยู่ะใช่ไห้ทีอ่อย่างนี้มากเราก็เป็นตใจเราก็ปาไปไม่กี่วัน แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของเหตุสืบสายหรือว่าเราจะอยู่ในการที่จะเกิดคุณภาพก็ เ, เกิดอยู่ดีนะเราไม่ไดอยู่ว่าเราอยู่แล้วไม่อยู่แต่ถ้าการไปของเราแล้วทําให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เป็นไม่ไม่เสียหายมากแต่ประโยชน์ที่เราไปเราได้มากกว่ า, วานั้นกนะ็ผลไปคุณแพ็คครับ ขณะนั่งสมาธิพอจิตสงบจะไม่รู้สึกอาการทางร่างกายแต่ตอนออกจากสมาธิเป็นเน็บชาเดินไม่ได้สักพักพอเรียนถามสภาวะของร่างกายกรณินนั่งไม่นานมากค่ะถ่าธรรมดานั่งกายเวลาที่มันอยู่ในท่าเดียวกันมันไม่เดินลงมาจะไม่หลายเวียนที่สะดวกมันก็ทําให้เกิดอาการเหน็บชาขึ้นมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นเรื่องอปกติของคนนั่งสมาธิกันส่วนใหญ่ คุณเด e มติเวอร์ซัลยูนิตี้ครับเขาอากาศครับพวกหมอผีทำของใส่ดำมีสมาธิแต่ตายแล้วมักไปไหนกันครับด้วยกรรมลักษณะนั้นครับไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ไม่มี 2, ยานสองดูว่าเขาตายแล้วเขาไปเป็น่างไรอย่างไรอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลสนใจเรื่องของเราดีกว่าตายแล้วเราไปไหนดีกว่าเพราะว่า คนหนึ่งก็จะไปสวรรค์ไปนรกมันก็ไม่มันจะ ม, มาทําให้เราไปสวรรค์ไปนรกกับเขาให้เราดูว่าการกระทำของเรานี่มันจะทําให้เราไปสวรรค์หรือไปนรกไม่มีบาถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาพระเจก็บอกทําบาปนี่จะต้องไปอาบายถ้าไป ท, ทําบาปต้องปิดประตูาบาปได้ถ้าทาบุญก็จะไปสวรรค์ถ้าภาวนานก็ไปนิพพานถ้ามีแค่นี้แค่เรารู้แค่นี้ก็พอ เรื่องของคนเื่อไม่ต้องไปสนใจหรอกอนันาน า, นานจิตตังคุณอักษาราครับบอกว่าถ้าโยมต้องการภาพวัดยานะสังวรารามโดยเฉพาะสถานที่ปฏิบัติสําหรับผู้หญิงเพื่อมาเผยแพร่จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดของวัดเจ้าคะก็ไปที่สํานักงานนะจิตตังไปที่สํานักงานของวัดแลนะ้วมาลองถามคนเหน่อยว่าสามารถที่จะเอาภาพของวัดยานไปเผยแพร่ได้ไหรือไม่ ก็อลองเข้าไปในเว็บไซต์ของวัดยานหรือเพจของวัดยานดูน่าจะมีเบอร์โทรสารให้เราติดตก่อทำธุรนได้คุณมาริษาครับเรียนถามพระอาจารย์อยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่เข้าวัดฟังธรรมหรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบ่อยๆเหมือนอยู่ที่ไทยและมีความรู้สึกอิจฉาคนไทยที่ได้เข้าวัดทําสมาธิอยู่ใกล้ครคูบอาอาจารย์ถ้าเราอยู่ที่บ้านทําบุญทําทานกับสัตว์หรือคนรอบข้างหรือถือศีลห้าศีลแปด ทำสมาธิอยู่ที่บ้านเราจะได้กุศลเหมือนไปที่วัดไหมคะการทำบุญได้ทากับใครก็ได้เหมือนกันถ้าเราทําบุญกับวัดแต่ว่าเราก็จะได้ทำโน้มน้อพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้ทําบุญกับวัดเราก็ไม่ได้ทำโน้มน้อมพพุทธศาสนาเราทําบุญกับใครเราก็ทํำโน้มน้อกับบุคคลนั้นทำบุญกับสุนัขเราก็ทำโน้มนาอสุนัขแค่นั้นอยู่คิดว่าเราต้องการทำโน้มนาอมใคร แต่ถ้าเราไม่สนใจในเรื่องของผู้รับว่าเป็นใครก็ได้เป็นแต่เราต้องการทําบุญเพื่อให้เรามีบุญติดตัวไปเราก็ทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทบที่วัดถึงจะได้บุญคุณเยาวณีครับกาเปียนถามการสวดมนต์ในใจกับสวดออกเสียงผลที่ได้แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรคะหนึ่งมันถ้าออกเสียงมันก็จะเหนื่อยกว่าการไม่ออกเสียงสอง ถ้าเราสวดไปภายในใจได้ก็สแสดงว่าเราเปนสติมากพอที่จะให้มันไม่ต้องออกเสียงออกมาเพราะเราจะต้องคอยจดจอ่ออยู่กับความคิดอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของเรานนการสวดไม่ออกเสียงมันทําให้จิตสงบมากกว่าการออกเสียงเพราะการออกเสียงนี่เป็นิการทางานของจิตต่อร่างกายสำมห้ร่างการทำงานย ม, ม, ม่ดี เหอนว่าส่วนด้านหน้ออกเสียงได้โ อ, อ ก, กาสที่จะเข้าสมานพิจารณได้าดมากกับการสวดด้วยคคุณเดอมัลติเวอร์ซัวยูนิตี้ครับความทุกข์เป็นอสุภะและเป็นสัจจะด้วยใช่ไหมครับทุกมีอยู่แต่ไม่ต้องเป็นเราไปทุกข์ใช่ไหมครับอสุภะนี่ไม่ได้เป็นธรรมทุกข์อสุภะมันก็เป็นความไม่สวยงามันก็เป็นสัจจะเป็นคามจริงอย่า ทำไม่สวยงามก็เป็นสัจจะทำสวยงามก็เป็นสัจจะทุกชคนี่มันเกิดจากใจเราไปอยากมีสิ่งต่างๆแล้วเราไม่ได้ทยยําใจอยากมันก็เยทำเราถึงบุญนัตตี้ครับการวัสดการพระอาจารย์ค่ะช่วยขยายความคําว่ายานกับฌานมีลักษณะอย่างไรคะยานก็คือความรู้กันอย่างรู้ อยากรู้ว่าเราได้พ้นทุกแล้วปฏิบัติทำมาลดทุกข์ดับไปแล้วก็ปียาเนี่สร้างความมีทุกข์ในใจเราไม่ดีแล้วนปียาส่วนชาเนี่จะเคยความสงบในจิตใจใจยืนเชื่อมต่ อ, อกันเรียสมาสิยานเป็นสมาธิญาณเป็นปัญญาชาเป็นสมาธิ คุณบางออนครับการตักฝากทุกเช้าบุญที่เราทำจะถึงพ่อแม่ไหมครับโดยที่เราทำเนี้เราเป็นของเราเองไม่ถึงใครแต่ถ้าเราอยากแสดงให้คนฟังนี่มันก็ต้องการแสดให้คนฟังจะได้คุณแฮปปี้ออฟไลฟ์ครับเราจะเอาชนะใจตนเองและความเกลียดคร้านได้อย่างไรครับถ้าไปอยู่คนสนาม อยูราะว่าที่เราเนังให้ทาให้เติบโตสิให้เราทำิจ ว, วัตรต่งางๆอาจารยา์เป็นก็่าบริการบริจถ้าอยากจะประหยัดถ้าเรไปอยู่คนประหยัดนะถ้าเรอยู่คนเก็ดท่านริจากันะร้ว่าผมวาผมวเจ็ดท่าเกินไปอันนี้เสียงอาจารย์เบาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งครับเี่ยมันดังแล้วพูด อีไมโครโฟนมันจะมัตัดเสียงลงเลยเพราะว่าเสีันดังมากเียเราถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนันก็จะค่อยครับกำลังจะตงพูดดังครับกลังจะบอกเพื่อนๆว่าต้องต้องตั้งใจฟังมากขึ้นให้มีสมาธิแต่แต่ดีครับได้ได้เสียงลงน้ได้เสียงนอยขึ้นนะคุณอังกอรครับ บุคคลที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญว่านรกสวรรค์มีจริงถ้าเขาล่วงรับไปแล้วเขาจะเจอกับอะไรไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาทาบุญก็ทําบาปบางคนไม่เชื่อบาปบุญมัจริงแต่โอเคเขาบาจุดทาบุญว่าทำบาปไปตามความรู้สึกของเขาเอาไว้เข้าใจดีเขาอาจจะทำเรียกคนนั้นเรียกคนนี้เอาไว้เข้าใจบาปก็อยากจะทําร้ายคนนั้นคนนี้เขาก็ทำไปตามเลยครับมันก็อยู่ที่ว่า บุญหรือบาปที่เขาทำนี่มันจะมีมากมีน้อยถ้าบุญที่เขาทำมากกว่าบาปาก็เขาก็ได้ไปสวดีถ้าบาปมากกว่าบุญเ้าก็ไปอาบายไมชที่ควาเชื่ออย่างเดียววคนเราก็ทำบุญทำบุญทำบาปเยลยถ้าท่เชื่อมไม่เชื่อนะวันเราเอารมณ์ดีเราก็อยากเรียนี้คนนั้คนนี้แล้วก็จ่างานปาร์ตี้เชิญคนน้นคนนี้มากิาา น, น, น, น, น, น, นข้าวเราก็ทำบุญนันะ วันเราปวเขานั่นวันนี้เราก็ไปทำร้ายไปทุบตีเขาแล้วก็ไปทำร้ายอาจารย์ครับขอโอกาสครับอาจารย์ไม่ไม่ต้องตะเบงก็ได้นะครับได้ยินครับได้ยินครับพวกผมตั้งใจฟังกันได้ครับอาจารย์อาจารย์จะได้เสียงไม่แหบครับคุณเอกชัยครับกิเลสไม่ได้อยู่ที่สมาธิแต่กิเลสนั้นอยู่ที่ใจจะฆ่ากิเลสได้ต้องอาศัยปัญญา อยากถามว่าปัญญาที่จะใช้ค่ากิเลสนี้เกิดจากการใช้ความคิดนึกพิจารณาของเราเองใช่ไหมครับคือความเข้าใจที่ถูกต้องหนึ่งธรรมะที่ติคือกิเลสเกิดจากด้วชชาทิ่ติด้วยความห็นผิดเป็นชอบด้วยความหลงเป็นเซนตต่างๆว่าเป็นสุดแต่ธรรมะที่ติบอกว่ามันเป็นชั่วก็เสนต์ต่างๆมันเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมีดับ แวลามันเกิดมันให้ความสุขของเราเวลามันดับมันจะให้ความทุกข์กับเราแั้นเรามองไม่เห็นทุกข์เห็นแต่สุขเรียกว่าิจารณิติก็เห็นเห็นแต่สุขก็าก็อย่างได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามันมันหมดสุขมันจะกลายเป็นทุกข์นี่ยเราก็จะไม่อยากได้มันก็จะอยู่ความอยากได้อยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิตวานเป็นที่ถูกต้องความเห็นชอบไี่เคยเห็นเคยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรัก คุณวานิดาครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนาการปฏิบัติการพิจารณาวัดจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราครับจิตก็เป็นธาตุรู้เหมืนกับธาเุดินน้ำลไปไม่มีตัวตนแต่ว่าธาตุรู้นี่มันคิดได้นั่นเป็นเราใช่ว่ามันเป็นตัวขอไม่แต่ต น, น, นี่ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เป็นะธาตุาคุณยาทิพย์ครับพระอาจารย์ครับเราอยู่ตัวคนเดียวภาระไม่มี เราควรออกจากงานปฏิบัติธรรมที่บ้านดีหรือบวช ด, ดีครับถ้าบวชได้ก็ดีที่สุดคุณพันทิพย์ครับกลับเรียนถามเวลาเราไปทําบุญแล้วเจอคนรู้จักบอกว่าเอาบุญมาฝากเขาจะได้บุญด้วยไหมคะไม่ได้หรอกได้ก็ดีแต่เขาบุญได้ไม่จำเป็นทำบุให้เป็นของของเขาบุญไม่ใช่เป็นของที่เราจะสามารถฝากคนเล่นของคนี้ได้เป็นของกายของมัน คันทำก็ได้มไม่ทำก็ได้ไไไดคุณนาวาครับหนูรังเกียจกิเลสเพราะทำให้ใจทุกข์หนูเลยชอบทำสมาธิชอบตรวจปรากิเลสของตนเองแล้วหาทางลดละการเห็นกิเลสตนเองนี่ผลจะทำให้รู้ทันกิเลสของคนอื่นด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลาคนอื่นพูดหรือทำอะไรบางครัง้งหนูรู้สึกว่านี่มารามารยาณ น, นะนี่ปากไม่ตรงกับใจนะอย่างนี้แต่ก็พยายามมองเขาเป็นดินควอากาศแบบที่พระอาจารย์สอน แต่ใจลึกอย่างรังเกียจกิเลส ข, ของคนอื่นอยู่หนูมไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะขอพระอาจารย์เมตตาที่แนะเข้าปรับรุงด้วยค่ะตัวเรารังเกียจกิเลสได้แต่ยังไม่รังเกียจ ต, ตัวเขาเลยครับให้แยกแยกเราพร้อมกินตัวเขากิเลสที่เป็นตัวส่วนตัวเขาก็มีกิเลสหรื่อบางทีก็ไม่มีกิเลสแล้วก็วางตัวเข้าในส่วนที่ดีไม่ได้เป็นส่วนที่เขาเป็นส่วนในความดีของเขา คุณแคทครับเรียนสอบถามหลวงพ่อค่ะถ้าเราต้องเก็บเงินไว้ใช้หลังกเกษียณและพอมีอไรายได้บางส่วนที่มีไว้ทำและเน้นการสวดมนต์ภาวนาแทนเพื่อจะใช้ชีวิตได้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะก็ทําได้แน่นอนคือที่ต้องการครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่นี้ก็คือถ้าเราไปอยู่วัดได้แล้วไปบำบัดไ้เนี่ยชื่อมันก็จะได้ได้ได้ดีมากกว่า ถ้าเราทำได้เราทาได้แค่นี้ก็ทำไปก่อนคุณวีนาครับกลับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ด่าพ่อแม่ตายไปาปากจะเท่ารูเข็มใช่ไหมคะหือเพ่อได้ยินผู้ใหญ่พูดให้ฟังค่ะจริงไหมคะเออไม่จริงหรอเพราะเราเท่าเดิมคนเกิดมาเป็ชายปากเท่ารูเข็มมากเดี๋ยํากรรมในว้ก็จะเลารับย่านี้แบบนั้นกลับมาไปด่าพ่อแม่ เอาไปเราเป็นพ่อแม่กันเลยดวยกัคุณสาธิตครับกาบเรียนพระอาจารย์ครั บ, กา ร, ารบการเพ่งกระสินไฟควรปฏิบัติอย่างไรครับเราก็ไม่เคยปฏิบัตินะตถ้าจะให้เราบอกก็ให้เราดูไฟเนี่ยเราจุดไฟไว้แล้วก็มีไฟถ้าเราขอลดตาแล้ ว, ล ว, ลลวเล็กรถถ้าของไฟให้มันปรากฏขึ้นในจอภาพของาอาจารย์ ใ้เป็นตั้งอยู่ได้ตลอดเวลาอย่อง น, นองี้ก็เลยนการช้สาตรไปในการดูลมหายใจนะแต่ว่ามันยากกว่ า, าะพราลมนี้เรามีอยู่แล้วมัาไม่ต้องเลืกอกไม่ต้องคิดแต่ไฟเพื่อมีแรงใจเรามไม่มีมมแลัภาพเราเราต้องเลือกถภาพมันขึ้นมาการต้งเราเลือกได้ก็สดว่มามันมีสติาามากการทาให้จิตเป็นสมดได้ได้าไมากได้ง่าย คุณน้องหักสี่ครับดิฉันถือศีลแล้วตอนเย็นกินน้าฟักทองปั่นกล้วยปั่นได้ไหมคะล้เดี๋ยวเจอศีลไ้ถ้าเอศีลได้กินได้ถ้าเจอศีลกา่ถ้าเป็นผลไม้ี่ถืว่าจะปั่นกินได้ถถึงถ้เป็นพวกกล้วยนี่ับไม่ได้ไม่ได้เป็นผลไม้ที่ได้รับอยาตก็เป็นผลไม้ที่เราดูขคัน น้ำออกมาได้นาำก็เช่นส้มเพืออะไร่คุณเอกวิทย์ครับถ้าเห็นว่าการมีครอบครัวเป็นทุกข์การหาเงินหาทองตายไปก็เอาไปไม่ได้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวแบบนี้ไปบวชได้เลยใช่ไหมครับเราไปดูเลย <laughs> เห็นมากได้เลยาาการบูรพิการครับคุณซ k ครับ ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยขยายความที่พระอาจารย์บอกว่าทำแต่ละระดับจะขัดกันได้ขอบพระคุณค่ะการทาบุญทาทานแต่การเป็นภานาเรื่อกัพราะการทำบุญทำทานนีงทั้เข้าสังคมเราต้องมาทเป็นงาัปงานท่าปาอะไรเงี้ยเราต้องสนใจออกข้นอกสนใจมทำา้มเรื่อกัการเป็นานาทเป็นการดึงใจเข้าภางน ให้เป็นเหมือกตามเงื่อนเื่องเพราะนั้นงานทงานนี่มันจะขัันถ้าเราไปพานาก็ต้องพักการทำงานนั้นให้าบหรือถ้าจะทํา็ทำแบบง่ายๆหรือโอนเงินนี้ได้ถ้าเรามีการใช้แอปชนนเงได้เราอยากมีทามีทำงานเพราะว่าเอกันไปที่ไหนก็ออกงินก็บแล้วเราก็มององไต่อได้ไม่ต้องเดินทางไเรื่องอะไร ถ้าเราก็ไม่ลงงานอย่างเาเราก็จะไม่สามารถ ค, าคุณต้องครับจาเป็นหรือไม่ขอรับถ้าการทาสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวครับคือกายจะทำอะไรต่ า, างๆ ม, ม, ม, มัน่นนาอกันการที่เราจะตีก็ตีแทนเล็กนิดเดียวมันไม่ตีจับไม้ไม่มีศูนย์ก็ไอาไเจินสามาธิ ถ า, านัาน่ที่จะใ้มีต่อานั่งนี่การนนั่งกับสมาธถ้าน่งนั่งมาธได้ถ้าการนงนัน่งมาธได้ด้วยการนั่ง น, นัน่งโยที่ืก็ได้แต่มันจะสู้การนั่งกับาธไม่ ไ, ไคุณทาในจิตครับกลับขอความเมตตาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะกลเบียนถามถ้าไปบวชชีโดยสละจ า, าระพั์สมบัติเพื่อบําเพญทานทั้งหมดแล้วเมื่อเกิดเจ็บป่วยจะทำอย่างไรเจ้าคะ ถ, ถ้าเรายังก้ดูแลเรื่องการเรื่องการเจ็บไข้ได้ปวยเราก็ต้องมีกาเจ็บมาสหรับการนั่ถ้าเราไป็นเป็น้ายด้วยไม่ต้องมีเงานอนพาเราจะีเพ่อนที่เขาจะมาดูแลเราอย่างเต็มถ้าเราเป็นแม่ชีด้วยเราก็ต้องมีเงินแม่ส้นมาสหรับดูแลเรื่องปัสสาวะสิบเวลาที่ผ่านไ่เป็อักเสบเจ็บไข้ได้ป่วย คุณสุพิญญาครับขอเรียนถามครับตั้งแต่อธิษฐานนิพพานร่างกายเจ็บป่วยโรคแปลกๆมาสองปีติดปัจจุบันยังรักษาไม่หายมันเกี่ยวข้องกันไหมครับไม่เกี่ยวหรอกอธิฐานนิพพานมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นการเจริญท่ได้ผลถ้าเป็นโรคต่างๆเราประชิดวัคซีนมามันได้โรคเท้ า, าบวมมีได้ตามสบายที่ที่ที่ได้ เป็นเร่ทางมันเป็นเรื่องของรากายไม่เกี่ยวเรื่องทิตใจเเรื่องนะอย่าไปจับภาพคนกันคุณธนพง์ครับอาจารย์ครับสวดมนต์บทไหนดีที่สุดครับบทยาได้เนี่ยเราควรจวรเาต้องฝึกให้เสีดูไม่จําจะตสวดบทยาถ้าเราจาบทสั้นการแล้วก็สวดซ้ำๆไปจให้มันนานสวดซ้ำไปซ้ำนาน เป็นส่วนนองําเดียวก็ได้พุทโธุทรธแบบทำเดียวก็ได้ดได่ายที่สุดคุณอ้อยครับสภาวะที่ว่าเมื่อหายใจเข้าออกสั้นยาวให้รู้สึกแล้วร่างกายเบาสบายควรแก่การงานมันเป็นยังไงคะแล้วต่อไปมันจะสู่ภาวะอะไรคะอันนี้จะว่าประมาณยังไงยนะงไงนี้น การดูหายใจก็ให้รู้ว่าให้รู้เฉยๆว่ามันร้างนุ่ย่าก็เพื่อเพ่มาให้ใจทางานให้ใจนี่ใใจรู้เฉยๆร่างกายเราเพื่อคนใจการทางานอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้ทำได้ดีมากอันน่าสมาธินี้ไม่ได้ทำนะดันเพือให้ร่างกายทำงานอันน่าสมาธิเพื่อให้ร่างกายอยู่เฉยๆให่างอยู่เฉยๆเพื่อใจมัได้ทีานได้สุด อาจารย์ครับขอสุดท้ายครับขอหลวงพ่อเมตตาถ้าเราทำบุญเกินตัวจะได้ในสงอย่างไรดีดีหรือไม่ครับบุยิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งทำมากก็ยิ่ ง, งกกได้มากอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังทำอยู่ด้วยกันใน f เ c e b o o k 592คนครับใน y o ย t u b บ583คนในกลับเฮาส์17คน มีคนฟังธรรมด้วยกัน 1,192 คนนะครับอาจารยครับโอเคขออนุญาตทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมแล้วกอมีหน้ารับประโยชน์ไม่มากน้ยเพื่อจะได้มาไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดผลดการแง้าคิว่าพอสมควรใช่ไมว่าขอให้ท่านจงนมาใชท่านด้ในความใจที่นาไปปฏิบัติ เร nah> hmm ื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิขึ้นไปสาธุขอความปรารานาผู้ชมทุกฝ่ายในทางโอกาสหน้าทางขึ้นหน้าถ้าไม่มีเหตุก็มีเหตุและต้องกาาเจริญครับครับกล่าขอบพระคุณอาจารย์ครับ